ท่านพระเทวรานุณเทราผู้บริ ห, หารคณะอาจารย์นสิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจาุฬาลงกรณ์ราชัยไหลยิทยาเขตขอนแกตซึ่งมีท่านเจ้าคุณพระสบผลพัฒนประณิตรองอธิการบดีเป็นต้นเป็นประทานพร้อมทั้งท่านพระเทรานุเทร า, ร ท, ราที่มาร่วมงานร่ปม ขอเจออริญพรท่านศาสตราจารย์ดรสมรัฐโภนาดาวณ์พร้อมทั้งกรรมการของออสมาคมปรัช ญ, ญาและาศาสนาแห่งประเทศไทยและท่านผู้ร่วมงาทุกท่านในนามของมหาวทิทยาลัยมหาจราลุกรณ์ราชวิทยาลัยที่ เบียเกตของแก่ซึ่งได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานงก็ขออนุทนาต่อทางสมภาคโที่ได้ผ่านคณะมาจัดงาที่นี้ซึ่งเป็นโอกาสของการได้แลกเปลี่ยนได้พัฒนาองค์ความรู้ในด้านศาสนาและปรัช ญ, ญากันต่อไปในฐานะที่เป็นอธิการบดี ท่านผู้บริหารที่นี่ก็ไปคาดค้างให้มาซึ่งใช้หลายงานที่เกินเพื่อมาพบกับท่านทั้งหลายแล้วเมื่อมาพบแล้วก็ขอมีส่วนร่วมในการพิจารณาถึงประเด็นที่ตั้งเป็นหัวข้อเรื่องปรัช ญ, ญาและศาสนา ในระบบการศึกษาไทยมายาและความจริงในประเด็นนี้ก็จะพูดทั้งสามหัวข้อหลักก็คือเรื่องความสำคัญของปรัชญาและศาสนาในระบบการศึกษาไทยเรื่องบทบาทของปรัชญาและศาสนาที่มีต่อระบบการศึกษาไทยที่ผ่านมา และก็ความคาดหวังต่อปรัชญาและศาสนาว่าควรจะช่วยการศึกษาไทยหรือทำในบทบาทที่ถึงประสงค์อะไยบากซึ่งก็จะรวมทั้งสิ่งที่เป็นจริงทั้งที่เป็นหมายยาก็จะผสมกันอยู่ในประเด็นท้งสาร ป, ประเด็นนี้เรื่องของความสำคัญของ ปรัช ญ, ญาและศาสนาในระบบการศึกษาไทยในเวลาที่จากัดนี้เราก็ต้องดูไปที่ความคาดหวังของประเทศต่อพวกเราทา่านที่ทำงานในด้านศาสนาและลก็ปรัช ญ, ญาที่ว่าเป็นความคาดหวังเราก็ไปดูในแผนแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับ ไอสบห้าปีฉบับที่ผ่านมาตั้งแต่สองพันห้า้ยสี่สิบห้าถึงสองพห้า้อยห้าสิบเก้าในแผนการศึกษาแห่งชาติเนี่ยมันกำนหนดบทบาทไม่ใช่เฉพาะสำหรับศาสนากับปรัชญาแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของเราในการจัดการศึกษาของประเทศอย่างไร แล้วก็ปัจจุบันนี้เรากำลังเข้าสู่แผนการศึกษาแห่งชาติ15ปีช่วง 2,560 แต่ขอโทษ20ปี 2,160-2,579 อันนี้แหละที่คืนะสมที่เราจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนต่อไปเมื่อเวลาทำแผนนี่เขาก็จะดูประเมินผลงานที่ผ่านมา แล้วก็กําหนดทิศทางไปสู่อนาคตเรือลําใหญ่ก็คือการศึกษาแห่งชาติระบบการศึกษาของไทยเราจะลงเรือลํานี้ไปเนี่ยเป็นผู้โดยสารนี่เขาไม่ให้อยู่เชเฉ็ๆเขาให้พายเรือเมื่อให้พายเรือนี่เขาจะไปไหนอย่างไรอันนี้แหละที่เราจะต้องมาดูเทิศทาง ในอนาคตรวมถึงสิ่งที่พาเรามาจนถึงจุดนี้ในเรื่องแรกก็คือในยี่สิบปีที่ผ่านมาหรือสิบ้าปีกว่าแรกในห้าสิบห้าปีตั้งแต่ตั้งแต่ปีสี่ห้าสห้าเก้าแผนการศึกษาแห่งชาติสิบห้าปีกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ว่าพัฒนาชีวิตมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ คือผู้ที่เข้ามาในระบบการศึกษาเป็นผลผลิตของระบบการศึกษาไทยผลิตออกไปแล้ว er ต้องเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์คีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้และก็ขยายว่าเป็นคนดีคนเก่งมีความสุขสิบห้าปีที่ผ่านมาเราจะได้ยินเรื่องนี้กัน ซึ่งขยายว่าสมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้คุณธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขผลผลิตทางการศึกษาไทยเขาสร้างตั้งวิสัยทัศน์สร้างภาพมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม้อย่างดีคือสามคำแต่ก่อนนี้ก็ใช้ สามคำนี่แหละแต่เก่งนําหน้าเก่งดีมีสุขต่อมาเห็นว่าเราไปเน้นเก่งมากไปไม่ไม่ให้ความรับคัญกับความดีเขาก็เลยเอาเป็นคนดีเนี่ขึ้นหน้าแล้วก็บวกกับเป็นคนเก่งเมื่อเก่งดีก็มีความสุขดีเก่งมีความสุข ในสาธรธมนี้ก็มีการขยายเป็นสามภาพในเชิงระบบความคิดว่าเก่งนี่หมายถึงสมรรถภาพดีหมายถึงคุณภาพและก็มีความสุขคือสุขภาพกายสุขภาพจิตเก่งดีมีสุขอันนี้ไม่ได้พูดตามระดับความสาคัญอาพูดตามความเขาเรียกว่าล่องปากสัมพั์ เขาคาดหวังในแผนเนี่ยให้วิชาศาสนาวิชาปรัชญาเนี่ยไปพัฒ น, นาคนให้มีสมรรถภาพเพิ่มขึ้นคือเก่งขึ้ น, น, นดีขึ้นมีคุณธรรมจริยธรรมและก็มีผลก็คือเป็นความสุขนี่คือโจบ แล้วขยายต่อ น, นิดหนึ่งว่าสมรรถภาพคืออะไรทำให้คนเก่งคือพร้อมใช้งานเรียนจบไปไม่ว่าไปทำอะไรนี่พร้อมใช้งานเปิดปุ๊สิปับ ด, ดีคือมีความเป็นเลิศมุ่งทุ่มเททำให้เต็มที่ใจเต็มร้อยและก็มีความสุขหมายถึงความพอใจทั้งผู้ทำ ผู้รับบริการคำถามศาสนาและประัชญามีส่วนในการพัฒนาคนให้มีสมรรถภาพคุณภาพสุขภาพอย่างไรหลักสูตรการเรียนการสอนวัดผลประเมินผลกระบวนการทั้งหมดเป็นไปเพื่อเก่งดีมีสุขแค่ไหน นี่คือคำถามถามกับในบรรดาวิชาทั้งหมดที่เด็กจะต้องเรียนในการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษาวิชาไหนบ้างเป็นไปเพื่อพัฒนาคนให้เป็นคนเก่งคนดีมีความสุขคำถามถามได้สองสองประเด็น ถามถึงเนเซสซิตี้ความจำเป็นถามถึงซับจูเชนซีความพอเพียงถามถึงเนเซสซิตี้ก็คือเป็นไปได้ไหมที่จะสอนเด็กไทยให้เก่งดีมีความสุขโดยไม่ต้องมีวิชาศาสนาและประัชญา เรื่องเก่งอาจจะเป็นไปได้แต่ดีกับมีความสุขเป็นไปไม่ได้คนจะดีจะต้องมีเรื่อง value คุณค่าซึ่งศาสนาปรัชญากำหนดเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคุณสมบัติของเด็กไทยคนไทยบัณฑิตไทยเนี่ยมันอยู่ที่ศาสนาปรัชญานี่ช่วยกันสร้างให้มี ความดีมีคุณภาพและความสุขมันก็สัมพนะันธ์กันถ้าเกิดคนไม่ดีผลผลิตออกมาไม่ดีผลผลิตออกมาไม่มีความสุขโทษใครโบราณเขาบอกว่า ลูกเฉาโฉดเขาโทษพ่อโทษแม่ลูกไม่ไดีโทษพ่อโทษแม่สิทธิ์แสเฉาโฉดเขาโทษครูสอนประชาชนเฉาโฉดเขาโทษพระผูทอนผู้ปกครองอับ ป ร, ชชประชาชนเผาโฉดเขาโทษพระผูถอละะดล่าสฎรอนเฉาโฉดเขาโทษเจ้ากูถ้าครูสอนให้เด็กเป็นพ่อแม่ไม่อบรมลูกให้เป็นคนดีก็โดนตำหนิ ลูกศิษย์มีปัญหาก็กระทบถึงผู้สอนข้าราชการก็แล้วกันข้าราชการภายใต้การปกครองไม่ดีนี่ที่มาปกครองประเทศไม่ดีโทษพระภูทรโทษโทษ ร, รฐัฐบาลแต่ถ้าราษฎรทั้งหมดไม่มีศีลธรรมโทษทางศาสนาสมัยนี้ไม่ใาา่โทษก็ปัดนกันไปไม่เกี่ยว คำถามถึงเนเซสซิตี้คือสิ่งที่จำเป็นขาดไม่ได้ก็ลงไปที่ผู้รับผิดชอบแต่ผู้รับผิดชอบบอกฉันคนเดียวไม่สามารถไม่ sufficiency จะมาโทษพระได้ยังไงถ้าโยมไม่มีสิลธรรมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดกันถึงเรื่องบทไป ปรัช ญ, ญากศาสนาในสังคมไทยในระบบการศึกษาไทยมองในแง่ของความจาเป็นที่ขาดไม่ได้มันต้องมีต้องมีวิชาศาสนามีวิชาปรัช ญ, ญาแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ในมือของผู้รับผิดชอบแล้วจับหอเพียงปั้นเด็กให้เป็นคนเก่งคนดีมีความสุข มันต้องร่วมมือกันเพราะฉะนั้นวิธีคิดสองกระแสเนี่ยมันเึ็วิ่งอยู่ในระบบการศึกษาไทยมีอยู่ช่วงหนึ่งยกให้ครูสอนสืลอธรรมในโรงเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองและสินธรรมเป็นหลักเอาที่ว่าในรอบร้อยปีที่ผ่านมาเรายกให้ กลุ่มนี้เป็นหลักในการหล่อหลอมคุณธรรมจริยธรรมของเด็กยุคต่อมามันไม่พอเพียงเอาครูทั้งหมดทั้งโรงเรียนมาช่วยกันเราเรียกว่าบูรณาการในรุ่นรุ่นเด็กรุ่นรุ่นพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจะได้ยินเรื่องบูรณาการนะ่ะ แม้กระทัานการสอนศิลธรรมในโรงเรียนก็เปลี่ยนจากหน้าที่พลเมืองศิลธรรมเป็นสรนน อ, นอเสริมสร้างลักษณะนิสัยแล้วเอาจากรยธรรมคุณธรรมไปครอ บ, อบอเอามาอบรมโดยไม่เกี่ยวกับศาสนาด้วยน่าจะเป็นความคิดในช่วงหนึ่ง โดยโดยที่เาการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยไม่ได้เอาตัวศาสนาเป็นตัวตั้งแต่เอาเราอยากจะได้คุณธรรมที่ดีกี่ตัวเราใส่เข้าไปเลยก็ตัญญูอะไรเข้าไปศาสนาก็ถอยออกไปแล้วมันก็ได้คนชุเจเนเรชันหนึ่งที่ผ่านระบบเนี้ยในช่วงการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้จัดการศึกษาไม่พอใช่ มันสร้างลักษณะนิสัยไม่ได้ดังที่ต้องการแยกจากศาสนาไม่ได้ก็เอาศาสนากลับเข้าไปอีกเพื่อให้เป็นคนดีตามหลักศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตามที่ตนนับถือก็รวมความว่ามาปัจจุบันเนี่ยนะเราก็เอาทั้งมี เจ้าภาพหลักในการทำให้ควเป็นคนดีมีความสุขคือศาสนาปริญญาเ น, นี่ยนะแล้วก็เจ้าภาพรองก็คือวิชาการทั้งหลายมาบูรณาการร่วมกันพอมาเป็นอย่างนี้อันนี้ก็คือช่วงที่ผ่านมาพอมาถึงปีนี้ปีหกศูนมองไปข้างหน้า 20ปีนับจากนี้ไปออกมาเป็นแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบันกำหนดว่าการศึกษาต้องสามารถทำให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาเรีเยนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิตจะมีความสุขตัวความสุขหนีไม่ได้ทิ้งไม่ได้สอดคล้องกับหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ยีสิบเ็ดสิ่งที่เด่นขึ้นมานอกจากเก่งดีมีความสุขแล้วปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตรงนี้แหละที่ฝ่ายปรัชญาจะต้องออกมาออกโรงเสถียรโทษให้มนุษย์ธรรมดาเข้าใจว่าไอ้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมันคืออะไร เพราะว่าเราใช้กันมาสองแผนอย่างน้อยตั้งแต่สามแผนอนะแผนพัฒนาห้าปีสิบห้าปีเนี่ยอย่างน้อยเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นกรอบในการพัฒนาแต่ถามว่าชาวบ้านรู้เรื่องไหมนักเรียนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเข้าใจเพียงใดคำว่าปรัชญาตัวเนี้ย ฟิลโสฟี่นะและให้มาเป็นกรอบในการพัฒนามันก็รู้ก็นเฉพาะคนที่ทำหรืออย่างไรแต่มาเป็นโลกกระทัดมาเป็นวิถีชีวิตเนี่ยสำหรับคนเดินดินเนี่ยปรญญาตรงนี้คืออะไรและเราก็จะต้องทำกันอีกให้ไปถึงร า, ยยากย่าให้ได้ในยี่สิบปีข้างหน้า เป็นความท้าทายโดยเฉพาะในวงการปรยยัชญาเป็นความท้าทายปรยยัชญาเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องอีโคโนมิกส์ในหลวงรัชกาลที่กก็บอกว่าไม่ใช่เศรษฐศาสตร์มันเป็นวิถีชีวิตมันเป็นโลกกระถางมันเป็นปรยยัชญาถ้าจะเป็นอีโคโนมิกส์ถ้าพูดในเชิง ของผู้ศาสนามันเป็นบุ d ิสิ t e c o n มิกส์เป็น e c o n o m i c ิกเป็นเศรษฐศาสตร์แต่บวกบุ i s ส p h i l o ล o p ฟ y เข้าไปพุทธปรัชญาเพราะฉะนั้นต้องเชื่อมให้ได้ในฝ่ายพุทธปรัชญาว่าตัวเศรษฐศาสตร์เอ้เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันมีเป็นบุติสิคโคนอมิก u d บุ i s t p h i l o ล o p ฟ y ปรัชญาเชิงพุทธเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธอย่างไรพูดให้ชาวพุทธเข้าใจ นี่ตั้งเป็นประเด็นก่อนนะเดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดฉะนั้นในในยี่สิบปีข้างหน้าเนี่ยเขากำหนดวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาสี่ประการหนึ่งเรื่องระบบ ก, กระบวนการจัดการศึกษาต้องพัฒนาให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพสองลงไปที่คน พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองดีก็ตามที่กําหนดเราจะให้เก่งดีมีสุขดีเก่งมีสุขกว่าเพิ่มไปส่วนที่สามพูดถึงสังคมนะ่ยจากปัจเจกเข้อสอบเป็นปัจเจกไปสู่สังคมว่าทั้งระบบสังคมเนี่ยจะต้องเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีคุณธรรมจริยธรรม รู้รักสามัคคีไอ้ตรงรู้รักสามัคคีนี่แหละเป็นความท้าทายเพราะเราแตกแยกมันไม่ต้องปิดบังกันหรอกในรอบสิบปีที่มากันมาเนี่ยสังคมไทยแตกแยกแม้เราจะพูดกันว่าแตกต่างแต่ไม่แตกแยกแต่มันทั้งแตกต่างทั้งแตกแยก แตกต่างทางความคิดโดยเฉพาะทางการเมืองแบ่งออกเป็นสีเป็นฝักเป็นฝ่ายไม่สามารถที่จะมาร่วมงานกันได้ความแตกต่างทางความคิดเป็นเรื่องธรรมดามากในวงการปรยยัชญาและถ้าคนไทยเด็กไทยเรียนปรัชญายรู้เรื่องจะไม่แตกแยก คำถามคือเกิดอะไรขึ้นเราจึงไม่มีขันติธรรมไม่ทนต่อการความขัดแย้งทางความคิดต้องกำจัดต้องริบรอนบทบาทของปรัญญาในการทำให้คนใจกว้างยอมรับความแตกต่างด้วยขันติธรรมมันจะต้องเพิ่มมากขึ้นนับจากนี้ไป ตามวัตถุประสงค์ข้อที่สข้อที่4ี่การศึกษาต้องนำประเทศให้เข้าก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางและลดความเหลื่อมล้ำภายในประเทศคำว่ากับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางเนี่ยเป็นเป็นจุดสำคัญของ การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศเป็นไ h a i l a ด์ 4.0 ในปัจจุบันไท a i l a ด d 4.0 เนี่ยมาจากความสถานภาพของประเทศไทยที่ธนาคารโลกจัดยกระดับให้เป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูง upper middle income country ในปี 2,554 เมื่อประเทศได้ได้ถูกจัดลำดับให้มาเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงเช่นเดียวกับจีนมาเลเซียรัฐบาลไทยปัจจุบันเนี่ยก็กำหนดวิสัยทัศน์ว่าในอีก20ปีข้างหน้าเนี่ย ประเทศไทยต้องเลื่อนระดับขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเป็นชั้นสูงสุดเรียกว่าเป็นประเทศกลุ่มที่มีรายได้สูง high income countries เช่นเกาหลีใต้ญี่ปุ่นสิงค โ, ครโปร์สหรัฐอเมริกานี่คือวิชั่นที่จะขับเคลื่อนประเทศต่อไปและไอ้ไทยแลนด์ 4.0 นี่แหละที่เข้ามามี เพราะประสงค์จะให้ประเทศไทยมีเป็นประเทศที่มีรายได้สูงเนี่ยจึงเอาตัวการศึกษาเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญแล้วก็ใส่ไว้ในแผนการศึกษาชาติยี่สิบปีที่พูดถึงเนี่ยโจทย์ง่ายๆก็คือแล้วในขบวนรถไฟต่อไปเนี่ยปรัชญาศาสนามีบทบาทอะไร ตามที่เขาคาดหวังด้วยเราทำได้หรือไม่ฝันเป็นมายาลหลอกกันไปหรือว่าทำได้จริงและไอ้ที่ทำจริงที่ผ่านมามันทำได้แค่ไหนกับดัก Middle Income เนี่ยคืออะไรถ้าประเทศไทยจะไปต่อไม่ได้เนี่ยมัน มันติดกับดักอะไรไม่ใช่เฉพาะประเทศเรานะจีนก็มีกับดักซึ่งเขาก็วิเคราะห์ อ, ออกมาซึ่งเราก็ได้ยินกันในเรื่องของไทยแลนด์ 4.0 นั่นแหละแต่ที่เกี่ยวข้องกับเราเราน่าจะวิเคราะห์อเองมันมีสองคอนเซปต์อยู่ตรงนี้ประเทศไทยในอนาคตที่เราฝัน ต้องการให้เป็น high income country เป็นประเทศที่มีรายได้สูงถามว่าในวิชัน่นในวิสัยทัศน์นี้เนี่ยปรยัชญาเศรษฐกิจพอเพียง FIT อ n อยู่ตรงไห น, นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงช่วยขับเคลื่อนประเทศให้ไปสู่ high income country ได้หรือไม่ ซึ่งศาสนาปรัชญาต้องแคลิฟายต้องทำประเด็นนี้ให้ชัดเจนนี่คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองถ้าเป็นประเทศที่มีรายได้สูงแล้วคนไทยยังจะมีความสุขอยู่หรือไม่เก่งดีแล้วมีสุขไหม สถานะสถานที่บทบาทของศาสนาอยู่ตรงไหนจะเป็นวัดจะเป็นแค่ผู้เฝ้าศาสนาสถานเหมือนในญี่ปุ่นหรือเปล่าเป็นแค่วัดเป็นแค่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเช่นในจีนหรือไม่นั้น เราก็จะต้องมาตอบโจทย์พวกพวกนี้ช่วยกำหนดรูปแบบของประเทศไทยที่จะพัฒนาต่อไปและที่สำคัญประเทศที่มีรายได้สูงเขาก็มีกับดักพอเราอยากเป็นเหมือนเขาพอไปเป็นแล้วมันต้องจ่ายอะไรไปบ้าง ทำไมตะวันตกจึง look ีส s มองตะวันออกทำไมจึงมาหาคุณค่าศาสนาปรัชญาในตะวันออกทำไมจึงเป็นเหมือนแกงจืดจึงรู้คุณเกลือถ้าเราอยากจะพัฒนาเศรษฐกิจไปอย่างเขาเราจะไม่จ่ายอะไรที่เรามีอยู่ทิ้งไปเนี่ย ในระหว่างทางมันคืออะไรสีลังกาพ้นจากสงครามการสงครามการเมืองเราเข้าไปเยี่ยมเพื่อนชาวสีลังกาได้ซึ่งอยู่กันอย่างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสุขแต่ตอนนี้ทุนจากนอกประเทศกำลังไหลบ่าเข้าไป กำลังให้มีห้างสรรพสินค้าใหญ่โตกระตุ้นความโลภของมนุษย์โดยทุนมหาศาลจากสองประเทศคือจีนกับอินเดียกำลังแข่งกันจีนเข้าไปก่อนไปสร้างท่าเรืออะไรต่างเต็มไปหมดแล้วอยู่ๆก็เปลี่ยนรัฐบาลมาเป็นตัจตัจุบัน รัฐบาลที่โปรโจีนหมดอำนาจรัฐบาลโปรโอินเดียเข้ามาสูมอำนาจอินเดียเข้ามาละจัดวิส า, าขาบูชาโลกที่ศีลัรษะซึ่งไปเป็นผู้จัดอยู่ที่นั่นก็ได้เห็นนายยกรัฐมนตรีอินเดียมากล่าวสุนทรพจน์ในการเปิดวิสาขาบูชาโลกก็หมายความว่า ทิศทางในการพัฒนาของประเทศก็กำลังจะตาของเทศศิลกาก็จะตามแบบไทยไทยเราซึ่งหลายอย่างมันไม่ใช่การพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเราไม่ยอมรับก็ไม่อยากให้ศิลกาเป็นอย่างนั้นเราขึ้นมาสู่ไ้ม i ด d l e i อินค e c o u น t รีประเทศที่มีไรายได้ปลายทางระดับสูงแต่เรา จ่ายอะไรไปเนี่ยเราก็ไม่อยากให้เขาสั้นกับบทเรียนของไทยซึ่งภูฐานหรือภูตนันตระหนักตรงนี้ดีจึงเป็นประเทศเดียวที่ประกาศในที่ประชุมสหประชาชาติว่าจะไม่พัฒนาประเทศด้วย GNP จะไม่วัดการเจริญเติบโตของภูตาน ด้วย GNP Cross National Product ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศเป็นตัววัดความเจริญของประเทศปูตาลแต่จะวัดด้วย GNH Cross National Happiness ความสุขมวลรวมของประเทศและก็วัดความเจริญเติบโตโก้าวหน้าไม่ใช่ด้วยผลผลิต แต่วัดว่าประชาชนมีความสุขเพิ่มขึ้นเพียงใดทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตและทำดัดชนีตัวชี้วัดทุกระดับให้ต่างประเทศไปดูได้สิ่งแวดล้อมป่าไม้ต้องมีเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ในภูตังไปถัดไปพบบังเอิญได้พบนายกรัฐมนตรีภูตังได้ถามว่า แล้วจริงๆเนี่ยรักษาป่าไม้ไว้ได้เท่าไหร่ในภูตานเขาบอกแปดสิบเปอร์เซนเกินเป้าที่กำหนดในรัฐธรรมรนะูญะเรื่องนี้กำหนดในรัฐธรรมนูญของภูตานว่าป่าไม้จะต้องมีเจ็ดสิบห้าเปเซ็นตเป็นต้นเรื่องวัฒนธรรมต้องไม่ให้ถูกทำลายใครจะไปเที่ยวภูตานจะเป็นประเภท แบกเป้ away, เข้าไปไม่ได้เขาจะสกรีนต้องมีเงินวางไว้เท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเพื่อไม่ให้ประเทศติดกับดักของประเทศที่พัฒนาร่วงหน้ายอย่างไทยเป็นต้นเขาตามหลังเรามาเราเดินหน้าต่อไปเป็นประเทศก็จะ เ, เป็นประเทศ High Income Country ประเทศมีรายได้สูงไทยแลนด์ 4.0 อะไรก็ต่างเราคำนึงถึงอะไรที่ดักรอเราไหมปรัชญาศาสนาช่วยในการกำหนดทิศทางนี้อย่างไรโดยสรุปการศึกษากำหนดเป้าหมายใน20ปีข้างหน้าไว้เป็น 3R แปดสี 8, อยู่ในแผนนั่นแหละแต่เขาเขาแปลเป็นไทยด้วยแปลร่้อ่านไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเอาภาษาอังกฤษมาเบสิกก็คือให้คนอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นเขาเรียกสามอ่านแต่ที่น่าสนใจก็คือตัวสีพัฒนาการศึกษาต้องช่วยพัฒนาทักษะในการ <c oughs> คิดนี่เป็นข้อนหนึ่งเลยนะ critical thinking and problem solving ต้องพัฒนาคนให้มีการคิดวิเคราะห์และก็แก้ปัญหาได้เป็นหลักข้อที่หนึ่งเพราะการศึกษาไทยสอนอีท่าไหนไม่รู้เด็กคิดเป็นๆได้แต่จำได้แต่ท่องเขาเลยกำหนดเป็นข้อแรกเลยว่าต้องฝึกคิดและและการที่จะฝึกคิดนี่ไม่ใช้ ปรัชญาไม่ใช้าศาสนาได้ไหมคิดแบบคณิตศาสตร์ก็ได้แต่ในชีวิตจริงมันจะต้องมีตรากต้องมีปรัชญามีาศาสนามีอยู่นิโสมนานสิกาคิดแบบริยศสัสตร์สิ problem solving แก้ปัญหาทิ้งาศาสนาปรัชญาไม่ได้เลยค้อแรกเนี่ยนี่หมายถึงยี่สิบปีข้างหน้านะเขาดู เขาทำโซนอนาริซิ์แล้วเด็กไทยคิดไเป็ดได้จะจับข้อที่สองนี่มุ่งในการแข่งขันเชิงธุรกิจก็คือ creativity and innovation เราจะได้ยินคำหลังมานวัตกรรมผลิตสินค้าต้องใช้ปัญญาใช้สมองต้องมีนวัตกรรมและวิชาอะไรที่สอนให้คนคิดนอกกรอบได้ดีที่สุด ปรัช ญ, ญาสาม cross cultural understanding แล้วอยู่ในยุคที่เป็น clash of civilization อารยธรรมมันประทะกันโดยเฉพาะอารยธรรมที่มีรากฐานมาจากศาสนาทำอย่างไรเราจึงมีความเห็นอกเห็นใจเข้าใจเพื่อนต่างศาสนา ต่างวัฒนธรรมแล้วอยู่ร่วมกันอย่างสันติอันนี้คือบทบาทของศาสนาตน้นแข้อสี collaboration team work and leadership ความร่วมมือการทำงานเป็นทีมภาวะผู้นำอันนี้วิเคราะห์มาตั้งแต่แผนเก่าคนไทยขาด management การจัดการเราทำงานเป็นทีมแบบญี่ปุ่นไม่เก่งเราเป็น ว, วีรชนเอกนชนทำอะไรได้ตามใจคือไทยแท้ฉะนั้นในแผนที่ผ่านมาในมีการพูดว่าน่าจะสอนวิชาการจัดการตั้งแต่ชั้นประถมเลยมันจะได้อยู่ในสายเลือดขออีกข้อหนึ่ง เขาใช้ภาษาอังกฤษว่า compassion แต่เวลาแปลเป็นภาษาไทยหมายถึงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมมาจากเมตตากรุณาก็คือคุณามความดีทั้งหลายนั่นเองคือศาสนาประญญายนาั่นแหละอสหข้อพอมันลดจอล่ออะที่เกี่ยวข้องกับเรา compassion เนี่ยแหละท้าทายมากนี่พูดถึง20ปีข้างหน้านะ และเราจะทำอะไรเนี่ยจะขึ้นขบวนรถไฟนี้ไปได้หรือไม่แล้วเราจะมีส่วนสร้างชาติโดยอาศัยระบบการศึกษาไทยอย่างไรเมื่อวิเคราะห์แนวโน้มในประเทศไทยและดูระดับโลกสักนิดหนึ่งเพื่อเกิดความเข้าใจให้ตรงกันกรอบของยูเนสโก ยูเนสโกได้ตั้งทีมมันสมองเลยของยูเนสโกศึกษาการาทำวิจัยเรื่องการศึกษาในศตวรรษที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่21อคือศตวรรษปัจจุบันและประกาศออกมาตอนขึ้นคศส0 0 0ว่าการศึกษาในศตวรรษที่เราอยู่เนี่ย มันควรจะมีเรื่องอะไรบ้างแล้วเรามาดูกันผลของการวิจัยศึกษาของยูเนสโกประกาศออกมาแล้วเรียกว่าโฟ l l ิลลาซอฟต์เอนจิเเป็นจตุสดมของการศึกษาของโลกรวมถึงไทยของไทยด้วยว่าเวลามาเรียนเนี่ยนะไม่ว่าใจในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประถมมัธยมหรืออุดมศึกษาก็ต่าง จะต้องจัดการศึกษาให้หลากหลายครบสี่เสาขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้ล้อรถสี่ล้อมันจะต้องมีให้ครบล้อหลุดไปล้อหนึ่งลดควางสี่ข้อคืออะไรคาพูดปู้สอนกฤิว่าข้อหนึ่ง learning to know เด็กเข้ามาสู่ระบบการศึกษาเพื่อมาเรียนรู้เพื่อรู้เรียนเพื่อรู้อันนี้คือวิชาการ learning to know อย่างที่เราเข้าใจต้องเรียนความรู้วิชาการแต่ประเด็นที่เวลาเขาอภิอธิบายเนี่ยนะ่าสนใจมากเฉพาะข้อแรกเนี่ย learning to know เนี่ย คนมันจะเรียนรู้มันจะต้องมีเครื่องมือเครื่องมือที่เราเข้าใจนี่คืออุปกรณ์การสอนภายนอกเช่นจะเรียนภาษาอังกฤษ ต, ต้องมีห้องแล็บแต่ที่เขาพูดมันคือเครื่องมือข้างในด้วยซึ่งเรามองข้ามคือสมัรถการพัฒนาสมรรถนะในการคิดเป็นของเด็กพัฒนา ความใฝ่รู้ curiosity ความอยากรู้อยากเห็น philosophy begin s with wonder ปรัชญาเริ่มต้นด้วยความสงสัยประหลาดใจในปรัชญากรีกเนี่ยสงสัยในธรรมชาติมันก็เกิดนักปรัชญาที่อยากหาคำตอบไอ้ตัว wonder curiosity เนี่แหละความอยากรู้อยากเห็นนี่แหละมันจะต้องสร้างและเด็กจะสามารถ concentrate คิดได้ดีจำดีต้องมีสติมีสมาธิจะต้องพัฒนาจิตใจเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพัฒนาผลสมริ์ในการศึกษาของเด็กเนี่ยด้านสายสา ม, มันเนี่ยพัฒนาจิตเวยเด็กบางคนสมาธิสั้นเราไม่ได้แก้เลยพอแก้เรื่องสมาธิสั้นได้เรียนเก่ง Learning to ทุน w นอกจากนี้เขายังพูดถึงเครื่องมือในการเรียนสูภาษาภาษาเนี่ยเด็กไทยอ่านออก อ, อ่านภาษาไทยไม่ออกเนี่ย ม, มันจะเรียนตลอดชีวิตไม่ได้มีอยู่ครั้งหนึ่งในช่วงที่แล้วเนี่ยคนไทยอ่านหนังสือวันละหกบรรทัดอะแล้วเดี๋ยวนี้เพิ่มขึ้นเป็นแปนเก้าสิบไอ้ที่อ่านกนะ็อ่านรู้เรื่องหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลย จบจบปอปปหกมาเนี่ยมาบวชเนรเนี่ยสอนเอเออะไรสอนให้ให้ให้ใหท่องในทำขอบวชยากเย็นแสนเข็ญอางไม่ออกสอนบาลีนักธรรมเนี่ยต้องเริ่มสอนหนังสือใหม่ท้านั้นที่จบปอหกมาแล้วไล่จบกันมามาบวช แล้วเป็นภาระต้องสอนหนังสือพอเราไปต่อว่าเขาก็บอกว่าก็ไอ้พวกเรียนโลนะี่เมันเข้าไปบวชเก่งๆมันอยู่ข้างนอกผู้มันใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเครื่องมือต้องมีข้อสองพัฒนาทักษะ learning to do อันนี้ก็คือพวกสายอาชีวะสายปฏิบัติการทั้งหลาย แต่ในเรื่องนี้ท่านยูเนสโกเพิ่มเข้าไปอีกท่านจะต้องเพิ่ม professional ethics สอนจริยธรรมวิชาชีพหรือจรรยาบัตไม่ใช่สอนแต่ว่าเก่งวิศวะเก่งแพทย์เก่งอะไรต่างแต่ไม่มีคุณธรรมไม่มีจรรยาบัตรไม่มีจริยธรรมมันจะต้องบวกเข้าไปด้วยการศึกษาต้องเพิ่มตรงนี้ ข้อที่สามเป็นลักษณะพิเศษของศตวตรรษที่ี่สิบเอ็ดศตวตรรษก่อนไม่ค่อยเน้นก็คือในศตวตรรษที่ยี่สิบเอ็ดเป็นยุคข้อมูลข่าวสารโลกมันแคบคนมันจะได้รับการได้รับข้อมูลข่าวสารเร็วมากเพราะฉะนั้นชอบไม่ชอบมันเกิดขึ้นทันที สิ่งไม่ดีที่มันเกิดขึ้นก็เป็นตัวอย่างให้กับเด็กได้เพราะว่ามันอยู่ในอินเทอร์เนต็ตตัดคอกันที่ไหนนี่สดๆเลยสร้างความรุนแรงและความที่เราติดต่อสังสรรกันทั่วโลกได้ง่ายเนี่ยมันจึงจะต้องรู้จักปรับตัวเข้าหาการยอมรับความแตกต่างทำอย่างไรถึงจะยอมรับความแตกต่างเคารพความแตกต่าง และอยู่ร่วมกันอย่างสันติเขาบอกไว้แล้วว่ามันจะเกิดปัญหาความขัดแย้งเยอะเพราะอินฟอร์เช่นเนี่ยมันมีช anel มันมีช่องเนื่องจากว่ามันทีวีแต่ก่อนแล้วมันมีฟรีทีวีไม่กี่ช่องเลยเราดูเหมือนกันหมดคนไทยเดี๋ยวนี้เป็นร้อยหลายร้อยช่องไปเห็นที่ไต้หวันก่อนตั้งสี่ร้อยห้าร้อยเมื่อยี่สิบปีมาแล้วงงเลยแล้วประเทศไทยกาลังเปน แต่เราไม่ได้เตรียมใจคนว่าเวลารับข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันต้องใจกว้างหลากหลายและอย่าไปรับอยู่ช่องเดียวคุณก็จะถูกหล้างสมองให้เชื่ออยู่เฉพาะกลุ่มนั้นพวกนั้นที่เราแบ่งออกเป็นสีเนี่ยมันเพราะว่าไปดูทีวีอยู่ช่องเดียวยกหนึ่งปล่อยยนอยูอย่ยไรตอนนี้เพิ่งมาตื่น แต่ทางยูเนสโกเขาวิเคราะห์ไว้ก่อนแล้วแหะมันจะเป็นอย่างนี้การศึกษาต้องสร้างความหลากหลายและสอนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติซึ่งจะได้ต้องได้รับการเน้นย้ํำมากในยุคนี้ถามว่าเราจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยไม่สนใจาศาสนาปรัชญาได้ไหมไม่ได้โดยาศาสนาะตัวดี ถ้าไม่เรียนศาสนาของเพื่อนก็คิดแคบและดีวิ่ดีมันก็อคติมันกลายเป็น d o g m a t นติกติดตำราเฟ n นติกคลั่งศาสนาส l e ARNING TO BE เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เก่งดีมีความสุขเขาหมายถึงพัฒนาสมองสองซี่ ซีกซีกซ้ายกับซีกขวาต้องพัฒนาไปพร้อมกันถ้าพูดในภาษานักนักไอพวกนักไอ น, น, น, นักวิชาการสมัยใหม่นะมันไม่ใช่พัฒนาอยู่ด้านเดียวซีกเดียวพระพุทธเจ้าได้ได้ตรัสว่าละคนในโลกนี้มีสามสามประเภทหนึ่งคนตาบอดอันถ่าจะคู่ 2. คนสองตาเทวิเอเอกาจะคู่คนตาเดียว 3. ทวิจักขู่คนสองตาคนตาบอดคือคนที่ไม่มีความรู้ในการประกอบอาชีพซึ่งเหมือนตาข้างหนึ่งและไม่มีความรู้ในทางธรรมในการกํากับการดำรงชีวิตที่ถูกต้องบอดทั้งในทางโลกทางธรรมคนตาเดียวคือมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ประกอบอาชีพได้ดีประสบความสาเร็จแต่ขาดความรู้ในทางศาสนาจริยธรรมคุณธรรมคนสองตาคือมีทั้งความรู้ในการประกอบอาชีพและธรรมะกากับทําให้มีความสุขท่านพุทธทาสเอาเรื่องนี้มาพูดเรื่องการศึกษาไทยการศึกษาหมาหางด้วนแล้วก็ยกอุปมาเรื่อง ไถนานด้วยควายสองตัวตัวรู้กับตัวแรงในปรัชญาการศึกษาไทยเนี่ยนายกดรสารธบุญศรีท่านคุทธทาตเนี่ยมนุษย์ที่สมบูรณ์คือไถนานด้วยเหมือนกับคนที่ไถน า, นานด้วยควายสองตัวมาจากทวิจักขุนี่แหละโบราณเวลาไถนาเ น, นี่ย ใช้ควายสองตัวถ้าเพื่อท่านเล่าตัวหนึ่งเป็นตัวรู้ตัวหนึ่งเป็นตัวแรงตัวรู้คือควายแก่มีประสบการณ์รู้ภาษาชาวนาสั่งให้เดินพูดไปอย่างนี้มันก็เดินพูดอย่างนี้มันหยุดยุดอย่างนี้มันเรี้วแต่มันแก่ลากไถไม่ไหวเขาเอาไปเทียมคู่กับควายหนุ่มมีกำลังตัวแรงไอ้ตัวแรงเนี่ยมันไม่รู้ภาษาชาวนา สั่งให้เลี้ยวมันไม่เลี้ยวมันลากชนคณนาไถาหักหมดเขาก็มันมีแรงแต่มันไม่รู้เอาสองตัวมาเทียมคู่กันสองตัวมาเทียมคู่กันแล้วเป็นไงเวลาสั่งสั่งไอ้ตัวรู้คือตัวแก่ตัวแก่มันขยับนิดไอ้ตัวหนุม่มตัวอะไรมันก็ขยับตา่างสั่งให้เลี้ยวมันเลี้ยวการไถานาได้แรงจากตัวแรงแต่กาหนดทิศทางจากตัวรู้ มันจึงสำเร็จได้ชีวิตมนุษย์มันต้องมีสองพลังพลังที่เป็นความแรงที่ทำให้เราประกอบอาชีพประสบสเร็จหางเงินแต่จะใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขมันจะต้องมีตัวรู้กำกับพัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท่านตีความอย่างนี้สมองต่อมาเนี่ยโรเจอร์สเปรียเลยนะได้รางวัลโนโบเบลในการศึกษาเรือ่องโครงสร้างสมอง และก็ยืนยันจากได้รับการยืนยันต่อมาจากนิวโรโลจีประสาทวิทยาทั้งหลายว่าเวลาที่เราคิดใช้สมองเนี่ยมันมาจากซีกสองซีกเนี่ยไม่เหมือนกันคนไหนได้รับการพัฒนาซีกซ้ายมากซีกซ้ายจะทาจะเชี่ยวชาญในเรื่องอะไรเรื่องการคิดวิเคราะห์ เรื่องคณิตศาสตร์เรื่องวิทยาศาสตร์คิดแยกส่วนอย่างที่นั่งฟังกันอยู่เนี่ยสิกสายท่านท่านใช้สิกสายและถ้าสิกสายเนี่ยมีปัญหาเช่นเลือดเส้นเลือดแตกในนี้พูดไม่ได้ภาษามันมาจากนี้คนที่พูดไม่ได้เป็นเพราะสมองสิก้ายมีปัญหา แต่คนที่มีปัญหาสิกซ้ายเนี่ยเขาสืเขารับรู้ได้แม้จะอ่านหนังสือไม่ออกนะเขาโทรศัพท์ได้โทรศัพท์นี่สมองสิกซ้ายมันกดเลขตามที่เราอ่าที่เราคิดแต่คนที่เส้นเลือดในสมองแตกสิกซ้ายเนี่ยเขาเอานําบัตรมาพอเขาหา ย, เ, ยเขาเล่าเลยเพราเขาไม่รู้หลักเลขอะไรเลย เอาน้ำบัตรมาวางเลยแล้วมันมีภาพตัวเลขตัวหนึ่งสองสามเนี่ยกดเลขภาพในน้ำบัตรให้ตรงกับเป็นโทรศัพท์โทรศัพท์ได้สมองซีกขวาคิดเป็นภาพท่านภาพรวมองรวมนี่มาจากสมองซีกขวาคิดแยกมาจากสมองซีกสายเพราะฉะนั้น เราเรียนภาษาเรียนวิทย์เรียนคณิตเรียนอะไรก็ตามเนี่ยนะมันพัฒนาสิกษสายสิ่งเดียวแต่ศิลปะาศาสนาภาพรวมอยู่ที่สี่ขวาการศึกษาต้องช่วยพัฒนาทั้งสองส่วนทำไมเด็กก่อนเข้าโรงเรียนมันถึงมีความสุขนะเด็กอนุบาลก่อนมาเรียนอนุบาลโอ้มีความสุขมากเกิน แล้วเด็กมันไม่แยกนะนี่ผิวขาวผิวดำจนรุมีอะไรต่างเนี่ยมันครบไปหมดเพราะมันคิดเป็นภาพรวมเด็กเด็กเล็กเนี่ยมันใช้สิทธขวามองโลกสวยพอเข้าโรงเรียนแล้วทีนี้เลยครูอัดแต่ไอ้สิทธซ้ายอย่างเดียวเลยทุกเหมือนครูการศึกษาทำให้คนแตกแยกถ้าไปเน้นแต่สิทธซ้าย ทำไมเวลาที่เราพูดถึงประสบการณ์ลึกลับหรือมิสซิกลึกเปลี่ยนมันจึงเป็นประสบการณ์ที่พูดไม่ได้บรรยายไม่สูกมันเป็นไม่มีการแยกระหว่าง subject object อะ่ะไปอ่านเรนิเจอร์ซิเกิลของ William James ไปอ่านบทโคลงของไฮกูของนักกวีจีนหรืออะไรก็ตามที่เขา express พูดถึง unity เข้าชาน่ะ ในขณะนั้นเนี่ยมันซีกขวาการศึกษาต้องพัฒนาทั้งสองส่วนการคิดวิเคราะห์ตักกะใช้ซีกซ้ายศาสนาในความหมายของเข้าฌานสวดมนต์ภาวนาใช้ซีกขวาเพราะฉะนั้นเมื่อที่มามันคนละส่วนกันเนี่ยบางทีคุยกันไม่รู้เรื่องระหว่างศาสนากับปรัชญา าศาสนาที่อยู่แต่ในที่ขวานั่งกรรมฐานอย่างเดียวเป็นปเป็นปฏิบัติอย่างเดียวไม่สื่อสารด้วยปริยัติไม่ใช้ปรัชญาพุทธปรัชญาก็คุยกับใครไม่รู้เรื่องเขาจึงเรียกว่าเป็นเอโสทริกบุรีซึมพระพุทธศาสนาเชิงประสบการณ์ส่วนตัวแต่าศาสนาที่เรียนคัมภีร์ เรียนปรัชญาเรียนอะไรต่างอย่างพวกเราเนี่ยเราเรียกว่าอินเทลเลกชวลบุรีสึขภาษาเดิมเรียกว่าคันถาธุระวิปัสนาธุระเพราะฉะนั้นในตัวผู้สนทนาเองเนี่ยมันเชื่อมทั้งถ้าเรียนแต่คันถาธุระไม่วิปัสนาวิปัสนามันก็ไม่สมบูรณ์ตัวคันถาธุระหรือตัวคัมภีเป็นปรัชญา ตัวประสบการณ์ทางาศาสนาล้วนปฏิบัติล้วนเป็นประสบการณ์ทางาศาสนาเป็นสิ่งกว่าการศึกษาจะต้องพัฒนาทั้งสองส่วนและประัชญาศาสนาต้องคู่กันในตัวาศาสนาเองบทบาทของสาราก็มีสองส่วนส่วนที่ใช้ปรัชญามาก เป็นบทบาทของบรมศาสดาเรียกว่าบรมครูบรมครูเป็นโปรเฟตศสาสดาพยากรณ์ต้องใช้ตักกะต้องสอนอย่างเป็นระบบแต่อีกบทบาทหนึ่งซึ่งเราไม่เคยได้พูดพูดถึงก็คือพระพุทธเจ้าเป็นสัพพะโลกะติกิจชโกเป็นแพทย์ผู้รักษาเยียวยาทาง จ, จิตใจ รักษาความทุกข์ของมนุษย์ท ร, รมาเป็นธรรมโอสถแก้ทุกข์ไม่ต้องพูดเยอะปฏิบัติแล้วพ้นทุกข์ในศาสนาทั่วไปเราเรียกว่าเป็นสาระเป็นที่พึ่งศาสนาที่มีพระผู้เป็นเจ้าผู้เจ้าเป็นพระผู้เป็นเจ้าเป็นสาระพระพรเป็นสาระเป็นที่พึ่ง เพราะฉะนั้นในความหมายที่สองเนี่ยที่พึ่งเนี่ยพระบุกเวสารนางยันตีเนี่ยนะปภัตตานิวานานิจจะที่เป็นที่มาของเรื่องนี้เนี่ยคือคนมันมีความทุกข์มันต้องไปเกาะต้องไปยึดยึดพระเจ้ายึดอะไรก็ตามแม้กระทั่งพระตนไตรส่วนที่สองเนี่ยพระเจ้าเป็นแพทย์ผู้เยียวยารักษาโรคแก้ความทุกข์ปฏิบัติด้วยมหากรุณาที่คุณ compassion แต่ในฐานะบรมครูทรงสอนด้วยปัญญาคุณปัญญาในมหายานจะเน้นคุณธรรมแค่สองอย่างปัญญากับการุณาไม่พูดถึงวิสุทธิเพราะโพธิสัตว์เนี่ยสายปัญญาสายการุณาปัญญาก็บรมครูสอนการุณาก็คือสายแพทย์ทางจิตวิญญาณ พระโพธิสัตว์บอกว่าถ้าจักไม่เข้านิพพานถ้ายังมีสัตว์โลกที่ยังมีความทุกข์จะขอเข้านิพพานเป็นคนสุดท้ายจะเป็นจะโปรดสัตว์อยู่อย่างนั้นแม้แต่นรกถ้ามีสัตว์นรกอยู่ก็ยังขอลงนรกไปช่วยเขามันมาจาก compassion การุณาและตัว compassion นี่แหละที่มัน อาจจะเข้าใจยากสําสหรับปรัช ญ, ญามันจึงมีข้อแตกต่างกันแต่พอเราพูดถึงพุทธปรัช ญ, ญาปรัชญาคริสต์ปรัช ญ, ญ, ญ, ญาอิสลามมันอยู่ในคอแรกความเหมือนความต่างมันก็มีสังกักันก็มีเกี่ยวข้องกันก็มีช่วยกันก็มีอย่างเรื่องสมองสองซี่ขอไปพูดถึง การศึกษาในในบทบาทของศาสนากรที่ผ่านมาเวลาที่ทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพอมาถึงยุคยุคที่ผ่านมาเนี่ยยุคที่เน้นให้ศาสนาสอนตรงๆเลยมิชาบังคับพุทธศาสนาในโรงเรียนในการศึกษาขั้นพื้นฐานถ้าเป็นคลิปต่อเรียนศาสนาคลิปอิสลามก็ว่ากันไปได้ทายพุทธศาสนา ได้เข้าไปช่วยทาสาระการเรียนรู้พุทธศาสนาการจัดสาระการเรียนรู้เนี่ยไปเป็นประธานจัดทาด้วยตั้งแต่ปีสี่ห้าสี่สี่สี่สี่ห้ามาใช้อยู่ในปัจจุบันคิดว่าทุกศาสนาก็จะต้องทำแบบเดียวกันเขาเปิดโอกาสทำไมจึงเปิดโอกาสเพราะวัตถุประสงค์ให้เป็นคนเก่งคนดีมีความสุขนี่ยแหละมาตรฐานการเรียนรู้ก็จะมีสามส่วน ทุกศาสนาอันแรกเป็นความรู้ข้อที่สองเป็นเรื่องศรัทธาค่านิยมข้อที่สเป็นเรื่องการปฏิบัติก็คือปัญญากรุณาอะไรและเมื่อกำหนดอย่างนี้เนี่ยเราทำได้ไหมทำหลักสูตรทำไรไปมันมีข้อจำกัดที่ต่อให้ทำหลักสูตรดีแค่ไหนอย่างไร มันก็ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการนี่คือความคาดหวังแต่ในความเป็นจริงเราไม่สามารถจะเดลิเวอร์คือทำให้ได้มันคืออะไรเราอยากจะหล่อหลองให้เด็กเป็นคนดีตามหลักธรรมทางาศาสนาเคยเจอกับบาทหลวงเจอกับในช่วงที่ทำเนี่ยกับผู้นำาศาสนาอื่นเราไปสัมมนากัน เขาก็พูดบรเวทีได้แหะบาทหลวมก็ดีอิหมั่ก็ดีอยากให้ทางพุทธซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่นะมีศีลธรรมโรงเรียนช่วยกันสอนเนี่ยสิให้เด็กเป็นคนดีตามหลักศาสนาให้ได้เพราะว่าถ้ามันไม่เป็นคนดีมันก็มาเบียดเบียนชาวคริสชาวอิสามมุสลิมทั้งหลายสร้างปัญหาพูดจริงเนาะเวลามันปลนมันเลือกศาสนาเสมอหร่ เพราะฉะนั้นเขาก็คาดหวังว่าคนกลุ่มใหญ่นั่นจะอวู่ในศีลธรรมเวลามันโกงบ้านโกงเมืองมันกับคนของเงินของศาสนาอื่นบางสีงขอเขาด้วยนี่ยทำยังไงจะให้เลิกโกงบ้านโกงเมืองช่วยกันสิเพราะฉะนั้นในโรงเรียนคลิปทั้งหลายเนี่ยเด็กเป็นพุทธเขาให้เรียนพุทธศาะให้เป็นคนดีตามหลักศาสนาแต่เราสามารถที่จะสอนให้เขาเป็นคนดีได้ไหมอ่ะนี่คือประเด็นที่หนึ่ง เวลาไปประเทศเาบางทีเนี่ยคนชอบบทวัดอยู่ใกล้กันนะเปิดลำโพงใสกันนะ่ะระหว่างมัสยิดเนี่ยมัสยิดกันนามาดวันละห้าั้งเดี๋ยวกประกาศเชิญชวนแลวทางนี้ก็ตีสีตีห้าก็เปิดเทพธรรมะเองเขาไม่ได้หับไม่ได้นอนทางวัดเลยนะเขาบอกเขาว่ายังไงประสบการณ์ตัวเองตอนที่ไปอียิปต์แลนอิหม่ามเขาออกอนาส า, าเนี่ยมาเชิญ จะประคุณสมเด็จวระสเกตท่านมอบให้ไปแทนพอไปอยู่ที่นั่นเนี่ยวันช่วงไหนที่ได้ยินเสียงประกาศให้ละหมาดอุ่นใจสบายใจคนจะหยุดละหมาดก่อนในช่วงนั้นหยุดทําชัว่วเขากำลังทําความดีเราไปอยู่ในประเทศเขาอยากให้ละหมาดวันละยี่สิบครั้งเราปลอดภัยได้ เป็นไหมให้เขาเป็นคนดีตามหลักศาสนาเขานั่นแหละทเราก็พลอยใด้ยินความสุขไปด้วยจะพูดเด็ไม่ว่าจะอยู่ที่ภาคใต้ของไทยหรือที่ไหนก็ตามขอให้เป็นคนดีตามหลักศาสนาแต่ปัญหาในการสอนศาสนามันอยู่ตรงไหน เวลาทาหลักสูตรเนี่ยผู้แทนศาสนากับผู้แทนกระทรวงศึกษาคิดไม่เหมือนกันผู้แทนทางศาสนาที่เข้าไปไประชุมเนี่ยก็อยากจะสร้างศาสนิกที่มีองค์ความรู้ทางศาสนาตอบได้ว่าศาสนาตัวเองสอนอะไรเป็นศาสนิกที่มีความรู้ดี เพราะฉะนั้นหลักสูตรเนี่ยธรรมะมีกี่ข้อกี่ข้อเนี่ยอัดเข้าไปหมดเลยท่านเด็กตัวกระเพี้ยกเนี่เรียนไม่รู้กี่เรื่องไม่ได้เป็นชาวพุทธต้องรู้เรื่องนี้เรื่องนี้ต้องรู้เรื่องอะไรมันเยอะเหลือเกินท่านองค์ควารมรู้เยอะมากแต่กระทรวงเขาบอกว่าไงท่านเราไม่ใช่แค่ให้เขาเป็นศาสนิกที่ดีมีความรู้ เราอยากให้เป็นพลเมืองดีมีศีลธรรมฝึกลักษณะนิสัยให้เขามีคุณธรรมจริยธรรมในชีวิตจริงให้ได้เด็กบางคนอาจจะสอบได้เอแต่ขี้โกงแต่ใจร้ายท่านยังไงที่จะให้เขามีคุณธรรมจริยธรรมอันนี้แหละซึ่งเป็นเรื่องท้าทายซึ่งทำได้ยาก ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทำได้ยากการพัฒนาความรู้เราสอนให้รู้ทำให้ดูครูประจำการไม่ได้มีความรู้ลึกซึ้งในพุทธศาสนาสอนองค์ความรู้ตามหลักสูตรไม่ได้เราจึงต้องเทรนต้องฝึกครูอีกซึ่งมันไม่มีผู้ที่จบศาสนาพุทธศาสนาโดยตรงไปสอนมันจะเบียดสังคม แต่ศาสนาใครจะสอนได้เนี่ยครูสอนศาสนามันเป็นวิชาชีพแยกออกระหว่างศาสนิกกับครูสอนนะเรามาประชุมกันเนี่ยเราประชุมวิชาชีพนะเพราะฉะนั้นในวิชาชีพมันมีเกณฑ์มาตรฐานของมันใครเป็นพยาบาลไม่ใช่ว่า แค่จัดยาได้ถูกต้องเน้เรียกพยาบาลไม่ใช่มันจะต้องมีเทรนมีฝึกจึงเป็นพยาบาลได้แล้วจะต้องมีลหลเส้นมีใบรับรองวิชาชีพประเทศไทยแต่ก่อนเนี่ยไทยก็เป็นครูได้ขอให้จบปริญญามาแต่ตอนนี้กฎหมายไม่ยอมครุสภาเนะี่ยไทยจะเป็นครูต้องเรียนหลักสูตร5ปีครูสัง จึงจะได้หลายเส้นใบรับรองวิชาชีพใครจะสอนหนังสือต่อไปเป็นอะไรข็้ตามในโรงเรียนจะต้องไปเรียนวิชาชีพครูเพิ่ม เ, เสริมอีกเขากำลังทำให้วิชาเหล่านี้เนี่ยที่สอนเป็นครูบาอาจารย์เป็นทั้งหลายเนี่ยมันเป็นวิชาชีพคุบโดยครูสภา เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าใครก็เข้ามาได้ต่อไปนี่อาจจะบอกว่าไม่ใช่ใครก็สอนสาศาสนาสอนปริญญาได้มันจะค่อยๆพัฒนาไปไม่อยงนั้นเราก็ได้ประเภทที่สอนอะไรไม่ได้ก็มาสอนสาศาสนาซึ่งเรื่องของาศาสนาเรื่องของปริญญามันมีศัพท์เทคนิคมันมีเรื่องเฉพาะเฉพาะกลุ่มวิชาชีพนีเท่านั้นที่จะรู้ใครที่ไม่เรียนปริญญาอ่านหนังสือปริญญารู้เรื่องหรอ คนนอกอ่านไม่รู้เรื่องบางทีฟังไม่รู้เรื่องมานั่งฟังนี่พูดอะไรก็ไม่รู้นี่มันเป็นปรัชญายตรงไหนเนี่ยที่เราทำไม่ได้ก็คือข้อสองเราอาจจะให้ความรู้ได้ทำให้ดูคือสาธิตนะนะแต่วิถีชีวิตมันนั้นไม่ได้เป็นแบบอย่าง การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของครูไม่ใช่แต่สอนทฤษฎีแต่ต้องทำให้ดูอยู่ให้เห็นซึ่งตรงนี้สอนอย่างทำอีกอย่างหนึง่งไม่มีความหมายทันคุณธรรมจริยธรรมเลย <c oughs> เราจึงเป็นห่วงว่าแม้หลักสูตรเราจะดีแต่การเรียนการสอนจะไปได้ไดเรื่องหรือตอนนี้ก็มีความพยายามว่า เรื่องพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยสอนวิชาการให้ครูสอนไปครูประจําการแต่เรื่องพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนิมนพระไปสอนมหาจุฬาเนีรับผิด ช, ชอบหาพระไปสอนในโรงเรียนเนี่ยปีละหมื่นแปดพันรูปโดยกระทรวงขอมามหามากุฏอีกหกพันรูปต่อปีเพื่อทําข้อที่สองแต่ครูสอนศาสนาในอนาคตที่เป็นประสงค์ต้องทําได้ทั้งสองอย่าง มันจึงเป็นบทบาทที่สับสนว่าจะพัฒนาความรู้หรือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างไรของครูทั้งหลายทีนี้มาถึงปรัช ญ, ญาศาสนาในระบบการศึกษาไทยนี่ได้ที่ตั้งแต่ อ, อหนึ่งเนี่ยงทีอนุบาลเน่ยได้สัมปทานนจนถึงหมหกปรัช ญ, ญาจะมาเริ่มอุดมศึกษา นหลักสูตรแล้วในช่วงการศึกษา ข, ขัา้นพื้นฐานเนี่ยทำไมเราปลูกฝังปรัชญาไม่ไดนะ้ให้คิดเป็นในเมื่อเรากำหนดว่า critical thinking กับ problem solving มันต้องมีตั้งแต่ชั้นต้นเลยเขากเา็เขาบอกวอาไปสอดแทรกในวิชาอื่นบุรณาการในในวิชาพุทธนาเราได้ ได้ทำวิธีคิดเราเรียกว่าโยนิสโสมนัสิการอยู่ในหลักสูตรมปลายมั้หรือมัธยมเนี่ยทุกชั้นเลยสอนให้เด็กคิดเป็นโดยอาศัยพุทธปัิญาเรื่องโยนิสโสมนสิการคือในตัวพุทธสามันมีปัิญาอยู่ด้วยเราก็เอาพุทธปัิญา น, นี้แทรกออกไปเรื่องปฏิจจัสมุปบาทเรื่องอริยสัจเรื่องโยนิสโสมนสิกาแต่ขอโทษหาคนสอนไม่ได้ ผ่านไปเป็นสิบปียังไม่รู้วาโยนณในสมมรสิกาลคืออะไรไอ้ที่ว่าคิดเป็นอาจารย์สบนทาทางานวิจัยเรื่องการสอนโดยใช้สัทธาและโยนญาในสมมรสิกาลไม่มีใครพัฒนาต่อในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จริงคือเอาพุทธปรัช ญ, ญานี่ไปใช้ฝึกให้มี critical thinking เพราะอะไรเพราะเวลาสอนให้คนคิดเนี่ยท่านสอนปรัช ญ, ญานี่นะ มันไม่ได้แค่มาเล่าประวัติปรัชญาว่าพลาโตโซคลิตสพลาโตอริสโตเตลคิดอย่างไรครูผู้สอนอาจารย์ผู้สอนต้องคิดเป็นให้ลูกศิษย์เห็นด้วยมันเรียนรู้บอยดูอิงถ้าอาจารย์ยังคิดวิเคราะห์ไม่เป็นแม้กระทั่งสอนศาสนาพุทธปรญาก็ยังคิดวิเคราะห์ไม่เป็นเมือม่อไรเมื่อไรก็อริยสัจอยู่นั่นแหละ ดูในตำราพุทธปรัญญาในประเทศไทยก็เอาธรรมะเนี่ยมาใส่แต่คุณ ม, มีมีการคิดแบบปรัชญามันถึงเป็นพุทธป ร, รัญญาในการที่เราจะสอนคนอื่นให้คิดเป็นผู้สอนต้องคิดเป็นจะสอนภาษเพราะฉะนั้นการคิดมันเป็นทักษะนะ อิเคิ i ติกคอนซิงค์เนี่ยเป็นเป็นทักษะเป็นความชำนาญแล้วทักษะความชำนาญเนี่ยมันจะต้องมีตัวแบบตัวอย่างเหมือนเราจะเรียนภาษาอังกฤษอ่ะออกเสียงผิดเราก็พลอยผิดไปด้วยคิดผิดเราก็ผิดไปด้วยถ้าท่านไม่คิดไม่วิเคราะห์ให้มันถูกต้องและไม่แสดงให้มันถูกต้องคนมันจะตามท่านได้อย่างไร เพราะฉะนั้นปัญหาของวงการปรัชญาก็คือไม่ใช่สอนให้จำแต่สอนให้คิดโดยเอาวิธีคิดของคนในอดีตเนี่ยเขาคิดกันอย่างไรนักปรัชญาเนี่ยมาเป็นตัวแบบแล้วคุณมาคิดเรื่องใหม่ๆได้ไหมฉะนั้นแค่คำว่าปรัชญาเนี่ยเราก็มาสับสนละ่ะแปลฟิโลโซฟีเป็นปรัชญา เพราะมันใกล้เคียงกับคำว่าปัญญาอินเดียเนี่ยเขามีศรรมัพท์ปัญญาเรียกปรัชญาของเขาเวลาแปลฟิลอลโซฟีเขาแปลว่าดัลเชันหรือทัศนะทัศนะซึ่งออกมาเป็นโล ก, กัศน์เป็นเวิร์นวิวในพุทธศาสนาปรัชญาที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาทิฏฐิ สัมมาทัศนะตัวทิฏฐินั่นคือตัวปรัช ญ, ญาแต่ปรัช ญ, ญาที่ผิดเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิปรัช ญ, ญาที่ถูกต้องตามตำนองครองทางในระบบศาสนาเราเรียกสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นในตัวผู้ศาสนาในตัวมักเในองคปดมันบบปเป็นปรัช ญ, ญาอยู่ในตัวมันเองท่านเหมือนกับในสัมม า, าชีวะมันเป็นบุติสิคโนมิกส์อยู่ในตัวมันเองแล้วมารวมเป็นเรา เมื่อเรามีสัมมาทิฏฐิดาเนินชีวิตที่ถูกต้องมันก็เป็นสัมมาอาชีวะเพราะฉะนั้นบุตติสิคอนมิกมันจึงขาดสัมมาทิฏฐิไม่ได้มันขาดปรัชญาไม่ได้ในมรรคีโองค์แปด่ะมันเป็นระบบเมื่อเกิดสัมมาทิฏฐิก็เรียกว่าปัญญาและตัวศาสนาเป็นวิถีชีวิตที่เรามาดำารงชีวิตอย่างมี โลกกระทัเป็นตัวนาเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงพูดถึงปรัชญาเนี่ยในในแง่ของวิชาชีพสำหรับชาวบ้านเขามีโลกกระทัคือปรัชญาชีวิตของเขาเองแต่สำหรับครูบาอาจารย์ในในวงการปรยัยญามันเป็นวิชาชีพต้องได้รับการเทรนการฝึกโดยเฉพาะ เรากำลัพูดถึงปรัชญาในสองสถานะทำอย่างไรจะให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้ปรัชญาที่พึงประสงค์หรือสามารถที่จ ะ, ะจัดการกับความคิดตัวเองที่รับมาจาก ต, ตรงนี้ให้มันเป็นระบบเป็นปรัชญาชีวิตเป็นแว่นที่ใส่แล้วมันคุยกันรู้เรื่องไม่ใช่ใส่แว่นสีกับโพลสีแล้วทะเลาะ ก, กัน คนที่เขามีปรัช ญ, ญาไม่ว่าจะมาจากศาสนามาจากแหล่งไหนก็ตามแล้วเกิดเป็นปรัช ญ, ญาชีวิตเป็นเป็นทัศนคตของเขาเนี่ยเราเหมือนกับเทคโนโลยีเราเปรียบเทียบได้กับเทคโนโลยีเนีเทคโนโลยีเนี่ยเราต้องใช้แต่ทุกคนแหละเราประยุกต์จากวิทยาศาสตร์มาเป็นเทคโนโลยีฉะนั้นในระบบการศึกษาไทยเนี่ย ในประเทศไทยเราก็มีเรื่องวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์แล้วก็วิทยาศาสตร์ประยุกต์ก็คือเทคโนโลยีแปลว่าก็บอ ว, ว่าคนไทยไม่นิยมเรียนวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ไม่เรียนเพียวแมทริเมติกไม่เรียนวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ฟิสิกส์เคมีเรานิยมเรียนแพทย์วิศวะเรียนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีเหล่านี้ใช้ในชีวิตประจำวันคนที่ใช้เทคโนโลยีไม่ได้หมายความว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ ปรัช ญ, ญาก็เช่นเดียวกันมันมีปรัช ญ, ญาบริสุทธิ์เมตาฟิสิกส์อภิปรัช ญ, ญา uh, ology, อภิพิสมโลยียานวิทยาเอทิกส์จริยศาสตร์เป็นปรัช ญ, ญาบริสุทธิ์แล้วหลังจากนั้นเราก็ประยุกต์เข้ามาไอตัวปรัช ญ, ญาประยุกต์มันก็เหมือนเทคโนโลยีทนันทุกคนมีสิทธิ์เอาไปใช้เอาไปดำเนินชีวิตเหมือนเราใช้เทคโนโลยีในชีวิตจังหวัดคนที่ใช้ปรัช ญ, ญาไม่ใช่นะักปรัช ญ, ญา แต่เขาเป็นกรอบในการแสดงความมองโลกเรากําลังพูดถึงปรัช ญ, ญาในฐานะที่สร้างปรัชญากรอบโลกกระทัดให้กับเด็กไทยคนไทยที่ถูกต้องทอํายังไงจะให้เขาขยันขันแข็งมีความคิดสร้างสรรค์มีนวัตกรรมมีอะไรต่างๆนี่มันกรอบความคิดทั้งนั้นหนักเอาเบาสู้มองกว้างคิดไกลไฟสูงมันคือปรัช ญ, ญาเราจะสร้างยังไงปรัช ญ, ญาประยุกต์ ส่วนปรัช ญ, ญาบริสุทธิ์นี่อยู่ในวงการพวกเราเนี่ยพัฒนากันในวงการวิชาชีพเหมือนวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ภาระจึงมีสองอย่างหนึ่งภาระในฐานะที่สั้นพัฒนาองค์ความรู้ในทางปรัชญาที่เราทําอยู่งานวิจัยปรัชญาไทยอะไรก็ว่ากันไปไปบนฐานของงานวิจัยแต่ที่กําลังพูดถึงระบบการศึกษาเนี่ย ปรั ญ, ญาประยุกต์ที่คนรับอารมณ์กระทัดไปแล้วจะอยู่อย่างไรที่ยอมรับข้อจํากัดว่าโลกกระทัดของเขามันมีสิ่งที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงขนาดพลาโตริรโซเทนโซกัตตี้ยังคิดไม่ตรงกันเลยโซกัตตีเสนอมาอย่างหนึง่งพลาโตไปเพิ่มขัดแยงง้งมันก็มีเอเ อ, เอโลกในมโนโคติโลกแห่งอุดโลกมโนโคติฟอร์มแบบ แบบของพลโตกับแบบของอริสโตเติลอยู่ไม่เหมือนกันแบบของไพลโตมันอยู่ในโลกมนกตุติแบบของอริสโตเติลมันอยู่ในสิ่งทั้งหลายเราจะเห็นว่าเห็นความไม่เที่ยงยอมรับข้อจํากัดของทฤษฎีของทัศนะต่างๆแล้วมีการอธิบายเพิ่มเติมเสริมกันไปการที่เราได้เห็นการโต้แยง้งความเปลี่ยนแปลงกัน ปรับทัเนี่ยมันทำให้ใจกว้างมันไม่มีปรัชญาการเมืองใดที่มันเป็นแอบสุดทรุดมันจะต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานะปรัชญามันไม่ได้อยู่ในวัตถิยมในสุญญากรศมันปราทถาสังสารกับสังคมเพราะฉะนั้นเมื่อปรารสังสรรมันก็เป็นปรัชญาประยุกต์ ฉะนั้นตรงนี้แหละที่ดินแดนระหว่างปรัชญากับศาสนาในวงการศึกษาไทยมันเข้ามาเกี่ยวข้องกันตัวปรัชญาที่ว่าปรัชญาบริสุทธิ์ก็ว่ากันไปแต่ตัวปรัชญาประยุกต์เนี่ยศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องตรงไห น, นในระยะเริ่มตั้งศาสนาเรามีศาสดาศาสดาเองก็ต้องใช้ปรัชญาในการบุกเบิกตั้งศาสนา โดยเฉพาะในพู้ศาสนานไปอ่านพรหมชาและสูตรทฤษฎีต่างๆมากมายอยู่ตรงนั้นที่จะต้องหักล้างนี่คือระบบปรัชญายที่อยู่ในพระสูตรแล้วพอหมดยุคพระพุทธเจ้าพระสาวกจะต้องดีเฟนต์ปกป้องทัศนะของพระพุทธเจ้าจะต้องปราบความคิดที่มันแตกต่างเขาเรียกปรปภาวะที่มาโจงติ ปรัสยาก็เข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นในขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเ네นี่ยถามว่าอะไรไปเกิดใหม่รูปใช่ไหมไม่ใช่เวทนา ส, ญญาสัญญาสังขารวิญญาณไปเกิดใหม่แล้ววิญญาณที่เกิดดับนี่แล้วมันไปเกิดใหม่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตอบคาถามนี้เพราะไม่มีใครถามสี่ร้อยปีต่อมาในยุคอภิธรรมสามรอยปีสี่ร้อยปี จึงเกิดคําว่าวิถีจิตภวังขจิตวิถีจิ ต, จตที่มาทางวิญญาณเนี่ยจกขู่วิญญาณโสตวิญญาณนี่ไม่ได้ไปเกิดใหม่มันเป็นวิถีจิตแต่ที่ไปเกิดใหม่คือที่กาะภพเก่อชาติคือผวังขจิตนี่เป็นปรัชญาเทรวาสแล้วไม่อยู่ในประสู์เพราะมหายานถามว่าอะไรไปเกิดใหมอ่อะ ปุขละวาทินก็บอกว่าบุคคลไปเกิดใหม่ชีวะในวิญญาณว่าบอกอาระยะวิญญาณสิมันก็เกิดพัฒนาไปเพื่อที่จะสร้างความคิดให้เป็นระบบเราก็เกิดการตีความคำสอนของพระเจ้าในรุ่นอัตถกถาเนี่ยนั่นแหละคือปรัชญาแหละท่านพระพุทธโคนสาอาจารย์ก็คือนักปรัชญานี่ยแหละ เพราะตีความต่างจากมหายาณปรัชญามหายาณก็ตีความในอัตกถาอย่างหนึ่งของเราก็ตีความอย่างหนึ่งฉะนั้นเวลาที่เราศึกษาคัมภีร์ไบเบิลคือตัวศาสนานี่เรื่องพระเจ้าคำถามพระเจ้าสร้างโลกแล้วทำไมสร้างสิ่งชั่วร้ายเข้ามา The Problem of Evil ก็เกิดขึ้นเพื่อจะตอบคำถามนี้ให้มันชัดเจน มันก็จะเกิดนักปรัชญาคลิปอย่างเซนต์ออกัสตินที่นําปรัชญาของพลาโตมาเสริมปรัชญาคลิปเซนต์โทมัสสควานัสเอาปรัชญาอริสโตเติลมาเสริมศาสนาคลิปในระดับนี้เราก็เกิดปรัชญาศาสนาปรัชญาของศาสนานั้นๆแต่ถามว่าปรัชญาของศาสนานั้นนัเช่นพุทธปรัชญาเป็นปรัชญาที่ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ปรัช ญ, ญาฮินดูก็ส่งเสริมอัตภัยต่อิธานต์สังฆราชเนทําให้ฮินดูน่าเชื่อถือเคยขายแบกรินนี่ขึ้นห้างเลยนะสังฆราชเนี่มันคือเอาปรัชญาเข้ามาใช้มันเสริมฤทธิเดชให้กับศาสนาศาสนาก็กลายเป็นพยักษติดปีกเพราะมีปรัชญาเข้าไปทุกศาสนาต้องมีระบบปรัชญาเข้าไปไม่ใช่ในรุ่นศาสนาก็รุ่นหลังๆเราก็ต้องแยกให้ถูกว่าอันไหนมันเป็น คำสอนเบื้องต้นอันไหนมันเป็นปรัชญาที่แทรกเข้ามาและมาเถียงกันเป็นนิกายในยุค ป, ปรัชญานี่แหละท่านปรัชญาคริสต์ปรัชญ า, าฮินดูปรัชญาอิสลามก็แบบเดียวกันแต่เป็นปรัชญาที่ส่งเสริมศาสนาไม่ใช่ปรัชญาศาสนาไม่ใช่ฟิลโ o สฟีอะพเพเลชัน เพราะมันจะเป็นการให้เหตุผลของใครของค่ายใครค่ายมันฉะนั้นนักปรัชญาซึ่งไม่ได้นังถือศาสนาเขาก็มามองทุกศาสนาและเขาก็วิเคราะห์ทุกศาสนาด้วยทัศนะของนักปรัชญาเราเรียกปรัชญาศาสนาไม่ได้อิง ก, กับการเผยแผ่ศาสนาไม่ได้อิงกับระบบเหตุผลของศาสนานั้นๆเราเรียกว่า Philosophy of Religion ภาษาศาสนามีไว้เพื่ออะไรเป็นซิิมโบลกเป็นสัญลักษณ์หรืออย่างไรเขาก็ประสบการสำศาสนาเป็นอย่างไรวิลเลียมเจมส์ก็มาทําคนนู้นกับมาทําอันนี้มองอยู่ในขั้นที่ว่าคนนอกเข้ามามองาศาสนาแต่ท่านพื่อทานเขียนภาษาคนภาษาธรรมอันนี้อยู่ในพุทธประะิญญามุมมองของ นักนักปรยาชาวพุทธฉะนั้นสิ่งที่เวลาที่ท่านสอนศาสนาท่านก็แยกว่าอันไหนมันเป็นเรื่องของศาสนาอะไรเป็นเรื่องของปรัยาที่เสริมศาสนานั้นทำให้มีระบบเหตุผลและโดยสปริดของนักปรญาเนี่ยแตกต่างแต่ไม่แตกแยกแล้วคุยกันได้ ใจกว้างไม่ใช่โจมตีใส่ร้ายแต่เป็นเรื่องของเหตุผลหรือท่านจะข้ามพ้นไปถึงขอบเขตของปรัช ญ, ญาศาสนาก็ยิ่งดีสรุปแล้วท่านไม่สามารถจะสอนสาศาสนาโดยไม่เอาปรัช ญ, ญาเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะท่านจะได้รับอิทธิพลจากปรัช ญ, ญาผ่านพระอัจฉริยจารย์บ้างอนุตีการจารย์บ้างทูตในทางคือคอมเมนเตอร์ทั้งหลาย เหมือนจึงไม่แปลกที่เวลาเราสอนที่นี่กับพระญี่ปุ่นสอนเกาหลีสอนมันคนละอย่างกันเนี่ยเพราะว่าในระดับปรัชญายล้วตีความคละอยากแต่เราต้องใจกว้างว่านี่เป็นการตีความแบบเราซึ่งมันเปิดช่องไว้ให้การตีความที่แตกต่างการทะเลาะ ก, กันเพราะนิกายมันก็ไม่เกินแต่ถ้าศาสนาเดียวกัน ทะเลาะกันในในิยายเดียวกันทะเลาะกับศาสนาอื่นปรัชญามันน้อยไปไหยในในเรื่องนี้กําลังพูดถึงประเด็นเรื่องว่าบทบาทของาศาสนามันมีข้อจํากัดดังนั้นการยอมรับข้อจํากัดจึงเป็นความแจกว้างเหมือนไอสไตย์ยอมรับข้อจํากัดของวิทยาศาสตร์ ศาสนาก็ต้องยอมรับข้อจำกัดของเราปะในวงการศึกษานะไม่ใช่หมายถึงในเรื่องของการปฏิบัติธรรม science without religion is lame อิสตัยพูด religion without science is blind <c oughs> วิทยาศาสตร์ที่ไร้ศาสนายอมพิการศาสนาที่ไร้วิทยาศาสตร์ยอมมืดบอดอิงกันปรัชญากับศาสนาก็เช่นเดียวกันต้องพึ่งพากัน ฉะนั้นในในเรื่องนี้เนี่ยเรื่องของบทบาทปรัชญาศาสนาทั้งหลายเนี่ยที่ว่าจะต้องพึ่พงพาอาศัยซึ่งกันและกันมองมาถึงจุดหนึง่งเมื่อกี้พูดถึงว่าการที่เราสร้างโลกกระนัดให้ชาวบ้านประชาชนผ่านศาสนาปราัชญาอันนั้นเป็นเรื่องของเขา แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพัฒ น, นาต่อไปก็คือวิชาชีพในฐานะเป็นครูบาอาจารย์ด้านศาสนาด้านปรยยัชญาตอนนี้เริ่มมีการกำหนดคุณสมบัติของวิปัสนาจารย์ไม่ใช่ใครก็สอนวิปัสนาได้เราต้องการให้เป็นมืออาชีพการเป็นโปรเฟชชั่นแลเป็นมืออาชีพาศาสนาปรัชญายเนี่ยที่พูดถึงในระดับอุดมศึกษาเนี่ย มันมีคุณสมบัติก็คือหนึ่งจะต้องเป็นสิ่งที่ทำเต็มเวลาและไม่ใช่ใครก็มาสอนสาศาสนาสอนปรัชญาได้ต้องมีกระบวนการฝึกหัดปฏิบัติการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยมหาวิลาัลและมี national association มีสมาคมระดับประเทศกำกับสร้างมาตรฐานครูเขามีครุสภ า, สาศาสนาปรัชญา อาจจะมีสมาคมนี้แต่ไม่ได้ควบคุมมาตรฐานมีแต่ช่วยพัฒนามาตรฐานในการสอนนะไม่ใช่มาตรฐานในการคิดและสิ่งสำคัญก็คือ professional ethics เมื่อเราเข้ามาอยู่ในวิชาชีพใดก็ตามเขาจะมีจริยธรรมสำหรับวิชาชีพนะั้นซึ่งแต่และ ว, วิชาชีพไม่เหมือนกันถามว่า professional ethics ของครูบาอาจารย์คืออะไรของนักวิจัยคืออะไรเราก็ทากันเยอะ มันจะเป็นเกณฑ์ที่ว่าเราจะหาสมาชิกเข้ามาช่วยงานของเราเนี่ยพัฒนานักปรัชญาใหม่ๆอะไรใหม่ๆมันก็เป็นการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเมื่อพิพพจรารณาดูเป้าหมายวัตถุประสงค์ของหลักสูตรปรัชญาไม่ว่าในมหาวิทยาลัยไหนก็ตามเนี่ยตรีโทเองสรุปแล้วโดยรวมก็จะมีอะไรเราเมื่อเราเป็นกลุ่มเฉพาะเนี่ย เราก็ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางปรัชญาขึ้นมาบัณฑิตมหาบัณฑิตดุสรีบัณฑิตเป็นวิชาเฉพาะมีทักษะในการคิดวิเคราะห์วิจารอย่างมีเหตุผลเป็นวัตถุประสงค์ของหลักสูตรของปรัชญาแล้วเป็นครูบาอาจารย์ได้ด้วยทั้งด้านศาสนาปรัชญาก็มีพุทธปรัชญาก็มีปรัชญาคิดก็มีนาความรู้ทางปรัชญาไปประยุกต์ใช้ในการ พัฒนาสังคมในการสอนศาสนาในการอะไรก็ตามสิ่งที่เพิ่มขาม า, าเฉพาะศาสนานี่คือคุณธรรมจริยธรรมในกลุ่มวิชาชีพเราก็ต้องมีจริยบัตที่สาคัญประการหนึ่งก็คือในวงการวิชาชีพจะต้องเสริมต่อกันคือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่งานวิจัยระดับปริญญาเอกว่ากันไป แล้วกำหนดเป้าหมายของหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแต่และแห่งอาจจะมีข้อสองข้อดูแล้วเนี่ยมารวมสรุปได้อย่างนี้ว่าที่เราทําเนี่ยบางแห่งก็ไปนเน้นอย่างมหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยจะเน้นคุณธรรมจริยธรรมเป็นผู้นําทางจิตปัญญาเอาปราัญาเอาศาสนาไปส่งเสริมไปประยุกต์ใช้ในการเผ ย, ยแผ่ศาสนาในจุฬาจะเน้นเรื่องการพัฒนาอกความรู้ผลิตครูไปสอนปิดอยากเป็นต้นนะี เพราะฉะนั้นแต่ละแห่งเขาก็จะมีเป้าหมายจุดเน้นเหมือนกันแต่โดยรวมมันก็ทั้งหมดนี่ถามว่าโดยวัตถุประสงค์ของหลักสูตรทั้งหมดเนี่ยมันเอื้อต่อการไปเสริมแผนการศึกษาชาติยี่สิบปีข้างหน้าอย่างไรที่ผ่านมาเราทำได้แค่ไหนก็พูดพอสมควรสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นมายาคตินะที่อยากจะพูดก็คือ โดยเฉพาะเรียนปรัชญาศาสนาทําไมต้องมีกลุ่มวิชาชีพก็เพราะว่าเราพูดกันเองเนี่ยนะมันไม่ใช่เข้าใจกันง่ายๆนะตัวศาสนาปรัชญาสิ่งที่เราสอนศาสนาจะต้องตรหนักอยู่เสมอก็คือทําไมท่านใช้ภาษาที่ชาวบ้านไม่รู้เรื่องสั์แสงสับธรรมะของท่านเนี่ย โยนิโสมนาสีการสัมมาทิฏฐิเมตตากรุณาฌานสมาบัติทำไมมาพูดกันอยู่อย่างเนี้ยแล้วเทศก็ให้คนหลับเออนี่าศาสนาโดนมาบอกนะถ้าปรัชญาหนักกว่านี้อันนี้คือ ม, มาอยารือจริงที่เราเขาเขา้เขาใจว่าเราพูดแล้วมนุษย์ฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยนะอ่าใครไปเรียนปรัชญาครั้งแรกเนี่ยในมัาจุราในผมนึกออกเลย อาจารย์เขาจะอ้างคำนี้เลี้ยนปรัชญาเนี่ยเหมือนกับหาแมวดำในห้องมืดแค่นี้ก็ท้อแล้วท่านเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ทางตะวันตกเขาวิจารปรัชญามายาหรือความจริงก็คิดเราเองเขาบอกปรัชญาเนี่ยมันเหมือนไปอยู่ในห้องมืดแล้วไปหาแมวดำ ไอ้ความจริงของคุณเนี่ยมันเมวดำแล้วมันยังมืดแล้วคุณจะไปหาได้ยังไงยิ่งภาษาปรัชญานี่มันยิ่งมืดไปอเะเอะตัวปรัชญาตัวเมตาฟิสิกอภิปรัชญาหนักเขา้ไปอีกเรียนอภิปรัชญาเหมือนไปหาเมาดำในห้องมืดซึ่งไอ้เมวดำมันก็ไม่ได้มีอยู่จริงไอ้บีอิงก็สอะไรก็ตามกันเลยนะแล้วแต่เขาจะว่านะไอ้นี้คนนอกวิจารเรา ชีวิตหลังความตายพูดกันจนป่านนี้ยังไม่รู้ว่าตายแล้วไปไหนมันมีหรือไม่มีเข่าใไหมเมตาฟิสิกส์ส่วนศาสนาเทียนโรจีก็คือศาสนาก็เหมือนหาแมวดำในห้องมืดไม่มีแล้วยังมาบอกว่ามียังพิสูจน์ไม่ได้เลอมีไม่ก่อนแล้วเหมือนกับ บรรดิตมหาจุลาไปทําปริญทยาทำยีนิพนธ์วิญยาโทที่ยุโรปมหาวิทยาลัยหนึ่งเรื่องชีวิตหลังความตายอาจารย์ที่ปรึก ษ, ษาก็เรียกไปถามเหมือนกับตายแล้วไปไหนออาจารย์ที่ปรึก ษ, ษาก็หลัก็ถามว่าแล้วตกลงเนี่ยคุณเชื่อว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสู่พระก็บอกว่าอา้าวทำไมก็ต้องเชื่อว่าตายแล้วเกิดอา้าวทาไมเชื่อนะไม่งั้นเป็นวิชาทิ่ติอ้าวถ้าคุณสรุปว่าตายแล้วเกิดแล้วคุณจะมาทำยีนิพนธ์ได้ไง เพราะมันสรุปแล้วแมวดํานี้เรียบร้อยแล้วจะไปหามันทำไมบ้ <_ d ata> มาอย่าลือความจริง <_ d ata> แล้วไอ้ที่เขาว่าปรัชญามันยากมันจริงหรือเปล่ า, าศาสนาก็เหมือนปรัชญานัน่นแหละมันยากเพราะอะไรทำไมท่านใช้ภาษาให้มันเป็นของมนุษย์ธรรมดาไม่ได้ครั้งหนึ่ง เป็นประธานโครงการแปลพระไตรปิฎกของมหาเจริญหลานซึ่งตอนนี้ขายดิบขายดีเลยนะพิมพ์ทุกปีไม่เคยไม่เคยหยุดคนซื้อกันมากตอนที่ทําเนี่ยเป็นประธานได้ทุนขอสมเด็จพระเทพให้ทรงเป็นองค์<ม>อุปถมัมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุ ม, มารีเป็นองค์อุปถัมสงถามว่า ก็ภาษาพิลโตมีอยู่แล้วจะทําอีกทําไมก็ทวายรัตน์ว่าจะทําฉบับที่อ่านง่ายใช้ภาษาร่วมสมัยคือสมัยราชการที่เก่าที่ทำโน่นราชการที่ห้าที่หกอะไรเนี่ยภาษามันเช่นดูก่อนพี่สูนรทั้งหลายเี้ยภาษาสมัยก่อนเขาจะมีดูก่อนค่าแตกทําไมจะต้องดูก่อนตัดออไปถ้าเราทําสมัยใหม่มันได้ใช้กันแล้วภาษาลุง่งลังอย่างนี้ ให้อ่านเข้าใจง่ายสำเร็จพระเทพก็ทรงท้วงว่าอย่าให้ง่ายจนไม่เหลือสับแสงธรรมะแปลเป็นชาวบ้านไปหมดอย่างง่ายเกินไปก็รับข้อเสนอของพระองค์ท่านหมที่คนมันอ่านไม่รู้เพราะมันมีสับเฉพาะเยอะท่าน วิมุตติญาณทัศนะญาณทัศนะปัญญาอะไรเงี้ยยังไงก็อ่านไม่รู้เรื่องแปลมาเนียเราจึงเพิ่มเข้าไปเพื่อให้คนอ่านพระรไจไปดกฉบับมหาเจรารู้เรื่องทำอะไรบ้างหนึ่งพระรไจไปดกฉบับอื่นไม่มีบทนำแล้วเขียนบทนำทุกเล่มสอง ถ้ามีศักด์บัญญัติต้องวงเล็บคำแปลที่มาตรฐานเอาไว้เช่นกรุณาวงเล็บความสงสารและบางทีมันวงเล็บไม่ได้เพราะใช้ในความหมายเฉพาะเช่นกัตตัญญูแปลว่ารู้คุณอากตัญญูคือไม่รู้คุณแต่มีพระบาลีบทหนึ่งพระสารีบุตรเป็นคนอากตัญญู ตรงนี้ต้องทําฟุตโน้ตพระอาัตากระถาจารย์อธิบายว่ามาจากคาว่ากะตตแปลว่าสร้างยูแปลว่ารู้อัตกะตาแปลว่าไม่สร้างหมายถึงนิพพานอสังกระตะเพราะฉะนั้น อ, ะตะอัตกระตาโยตัวนี้หมายถึงนิพพานรู้พระ น, นิพพานโหมนุษย์ที่ไหนมันก็ไม่รู้เรื่องถ้าไมบอกภาษาในบุญกระตาโยเสร็จเลยทันเราจึงต้อง มีเชิงอัดโดยเอาคำที่บาจารย์ตกถามมามีวงเล็บมีคำหมดนำอะไรต่งางๆเป็นพระไตรปิดกที่เขาเรียกว่า user f r i e n d l ห่วงใยคนอ่านที่ไม่รู้เรื่องแต่ก็ทำได้แค่นี้เราไม่สามารถลบสบบรรบัญญัติออกไปได้ข้อนี้ก็เป็นปัญหาเดียวกับปรัชญา ปรายามีปัญหาตั้งแต่ของพุทธปรายาโชคดีหน่อยมันอยู่กับสังคมไทยมาแปดร้อยปีสับใช้ในชีวิตประจำวันหลายสัพแต่ความหมายอาจจะไม่เหมือนกันเท่านั้นเองเช่นมานะมานะในภาษาไทยหมายถึงขยันใช่ไหมมานักพยายามหมดแต่มานะในภาษาธรรมที่ท่านพระท่าพาูดถึงหมายถึงความถือตัวมีตัวเราตัวเขาอันนี้เป็น คืเรียกบรี barrier นะเป็นวิธีที่กั้นการเข้าถึงธรรมะภาษานี่แหละเป็นตัวกั้นเข้าถึงปรัชญาพระปรัชญาตะวันตกไม่ได้โชคดีตรงที่เข้ามาทีหลังมาแปลเป็นภาษาไทยแล้วต้องมีสับบรรัญญัตใหม่ๆก็บรรัญญัตกันคนในอย่างปัจจุบันนี้ราชบัณฑิตสถานบรราัญญัตให้ใช้ภาษาสับบรรัญญัตตรงกันแต่บรรตัญญัตแล้วคนก็ไม่ใช่ว่าจะใช้นะเช่น existentialism เนี่ย มีทั้งอัตินิยมอัติภาวะนิยมซ้ำ existentialism อะไรยุย่งยากหมดและยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรอีก่ะไอ้ <c oughs> มันนอกจากกันดำเลยเด้อมันยังมืดอีกนะอันนี้คือความท้าทายพวกเราทำอย่างไรที่จะหนึ่งให้เขาเรียบปากการทางนั่น Rier, เบริเออไอ้ไอ้เครื่องกั้นทางภาษาเนี่ยที่มันข้ามวัฒนธรรมเนี่ยมาขวางกั้นไม่ให้เราเข้าใจกันไม่ว่าปรัชญาตะวันตกปรัชญาจีนปรัชญาญี่ปุ่นปรัชญาอะไรก็นตางเรามีปัญหาเรื่องภาษาและตอนนี้เราเลือมแก้กันโดยที่มีสรารบัญญัติในภาษาไทยแต่สรารบัญญัตินั้นต้องทําเชิองอ่านว่าหมายถึงอะไรด้วยเพราะอะไรเพราะนักปรัชญาเนี่ยใช้แต่ละคําในความหมายไม่เหมือนกัน ดูคำของเขไฮเดกเกอร์เอ็กซิสเตชวลิสชาวเยอรมันแต่ Being and Time ชองฟอนซาร์เรียนแบบต่างบ Be ีอิงบีอิงเนอะซิงเ s สไฮเดกเกอร์บอกว่าการคิดถึง Being เอ็กซิสเทนตะบีอิงเนอะนะหรือปรัชญาทั้งหมดเพราะเขาถือว่าปรัชญาของเขาเป็นเรื่องของ Being ไม่สามารถเอามายืนยันพิสูจน์ด้วยข้อเท็จจริง คือ being ต่างๆความการที่พยายามทำปรัชญาให้เป็นที่เข้าใจ i n t e l l i g b l e เข้าใจได้เนี่ยสำหรับคนทั่วไปมันคือการฆ่าตัวตายของปรัชญาเาะถ้าปรัชญามาใช้ภาษาชาวบ้านมากเกินไปเนี่ยปรัชญาจบเหตุไม่ต้องมีปรัชญาแล้วนี่ความหมายของไคเนกเกอร์ว่าอย่างนี้เพราะอะไร ตอนนี้ต้องมีอัตกาฐ า, า, าย์แล้วนะคอมเพเตเตอร์เลย <c oughs> ทำไมมาตินไฮเนเกอร์จึงพูดอย่างนี้ซึ่งมันก็สอดคล้องกับนักปรัชญาสนใหญ่เพราะว่าหนึ่งในความหมายข้อที่หนึ่งเนี่ยเรื่องของบีอิงไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยแฟกต์คว่า b ีอิงเหมือนกับข้าเจ้าเหมือนกับพระพรหมเหมือนอาตมาเหมือนนิพานมันเป็นโลกุตระ ไม่สามารถใช้ภาษาชาวบ้านทั่วไปบรรยายความเป็นีอิงได้ทั้งหมดตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นในมิลินท์ปัญหามิลินทปัญหาของพุนศนาเนี่ยพระนาคเสนจึงถามไอเอ่อพระนาคเสนจึงตอบพยา ม, มิลินว่าทำไมพระเจ้าไม่พูดตรงๆวันนิพพานคืออะไรคือนั่นคือนี่ ทำไมไปพูด อ, อ, อ, ก อ, อก้อมอบัด น, น, นก็ไม่ใช่ในั่าก็ไม่ใช่ล้มก็ไม่ใช่นั่นก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ที่ผ่านทำไมไม่พูด ต, งตรงๆไม่ใช้ภาษามนุษย์สิ่งที่เป็นแอบสุดทรูดทำไมพูด อ, อ, ก อ, อก้อมๆพระน่าเกษณตอบว่าเพราะภาษาไม่สามารถสื่อได้ถึงเรื่องนั้นทั้งหมดเพราะมนุษย์ยังไม่มีประสบการณ์ เดี๋ยวจะไปติดภาษาเช่นว่านิพานเป็นบรมสุขคำว่าบรมสุขนี่สุขเหมือนกินแป๊บซี่เหรอไม่ใช่มันสุขนั่นแหละแต่มันไม่ใช่สุขที่คุณเป็นแร้วระดับโกรกิยนี่คือนี่คือทำไมต้องบัญญัติในความหมายเฉพาะแล้วพระนัเเกเษกยกตัวอย่างว่าถ้าภาษามันเกิดจากประสบการณ์มนุษย์ เขาก็เราพูดด้วยภาษาที่อยู่ใน language game เนี่เขาพูดภาษาวิเกนสไตน์เนี่ยนะ mm hmm. เขาก็จะเข้าใ จ, จเฉพาะในเกมของเขา mm hmm. แต่เรื่องโลกุตรละมันนอก language game mm hmm. เหมือนปลากระต่า mm hmm. เป็นเพื่อนกันปลาปลาทะเลเต่าทะเลเนี่ย mm hmm. อยู่ด้วยกันมานาน mm hmm. แล้ววันหนึ่งเต่าหายหน้าเป็นหลายวันกลับมา ปลาก็ถามว่าหายไปไหนเต่าบอกไปเที่ยวเที่ยวที่ไหนทะเลไหนไม่ได้ทะเลบนบกขึ้นบกไปชายหาดชายหาดเป็นยังไงเออมีต้นมะพร้าวแล้วต้นมะพร้าวเป็นยังไงมีนกเกาะมันพูดอะไรมันเกินประสบการณ์ของปลาที่จะเข้าใจภาษาเต่าเพราะฉะนั้นปลาก็เลยไม่เข้าใจเต่าต่อไป เหมือนคนทั่วไปก็ไม่เข้าปเข้าใจปรัชญาบังอย่างต่อไปไฮเดเกอร์หมายถึงอย่างนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองบางอย่างเนี่ยเราต้องบัญญัติในความหมายของเราเพื่อคิดต่อถ้ามัวแต่มาอธิบายความหมายความคิดสร้างสรรค์มันไม่เกิดจากบ e อิ g เราสามารถขยายไปเป็นอะไร ในปรญาฮิน ด, ดูมันคือสัตว An ์จิตอนันทะสัตว์กับบีอิงในปรญาตะวันตกซึ่งเราแปลว่าภาวะเนี่ยอันเดียวกันหรือต่างกันสัตว์ในปรญาฮิน ด, ดูมีความหมายมีจิตมีคอนชิเอเนตมีอ an นันดะมีความสุขมีบริสแต่บีอิงในในปรญาตะวันตกไม่มี เพราะฉะนั้นภาวะกับ being กับสัตว์แม้แม้สัตว์จะแปลว่า being เหมือนกันแต่เป็นคนละความหมายชองปอนซาร์บัญญัติ being for itself กับ being in itself และถ้าจะพูดต่อไม่รู้ว่า being for itself กับ being in itself มันต่างกันยังไงก็จะไม่เข้าใจประโยคต่อไปนี้ของชองปอนซาร์ ชอปปาซ่าให้คำนิยาม being for itself ก็คือ consciousness จิตเนี่ยว่า it is what it is not it is not what it is ฟังแล้วซึ่งไม่รู้มันคืออะไร it is what it is not it is not what it is คือปรัชญายนะท่าน ดำไหมแมวดำไหมซิมอเดอะบอัวเพื่อนสนิทของชองปอนซัสเขียนเล่าไว้ว่ามีวันหนึ่งชองปอนซัสนั่งเขียนปรัชญาทั้งวันสมัยต้องเขียนด้วยแรมือเขียนไปจนเย็นเสร็จแล้วลุกขึ้นงูกินงูกนฟุดฟัดขยํากระดาษปาลงถังตะกร้าเดอะบอัวก็ถามว่า ทำไมปาทิ้งชอบบอลซานบอกผมอ่านไม่รู้เรื่อง mm hmm. ไอ้ที่ตัวเองเขียนจะอ่านไม่รู้เรื่องเลยเน่ะโอ้ mm hmm. แต่ it is what it is n o ท it is, นอตอิน t ิสต์เนี่ยมันอยู่ที่คานิยามถ้ายอมรับคานิยามในความหมายนี้มันจะคุยกันต่อได้ถ้าไม่รับคานิยามนี้มันก็เหมือนกับปร adox จิตคืออะไรจิต คือสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุ it is not what it is จิตคือสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุวัตถุคืออะไรคือ what is what is คือสิ่งที่มีอยู่ในตัวมันเองมันเต็มไมโครโฟนมันไม่เคยอยากเป็นแก้วแก้วไม่เคยอยากเป็นไมโครโฟนเพราะมันมีความเป็นของมันเองแต่มนุษย์มันเป็น it is not เป็นมนุษย์แล้วยังไม่พออยากจะไปเป็นอาจารย์ อย่างจะเป็นพ่อเป็นแม่มันมีความพร่องมันเป็น it is not <laughs> เพราะฉะนั้นเมื่อ <laughs> what is ก็คือวัตถุมันเต็มจิตคืออะไร it is what it is uh, it is not what it is มันไม่ใช่ what it is ก็คือพอแค่นี้เนาะ <laughs> ไปหาอีกนี่คือหมายความว่าที่จะพูดหมายความว่า นักปรัชญาในวงการเดียวกันเขาก็จะได้มาตอบความคิดมันไม่ใช่ที่คุณว่ามันก็จะได้คุยกันรู้เรื่องเหมือนเราเหมือนกับพวกคุยกันเรื่องเรื่องนิพพานเป็นอตตาอนัตตาเนี่ยคุยกันเพลินไปไม่ต้องไปทะเลาะกันถ้าเราอยู่กันอย่างนี้เข้าใจข้อจํากัดความคิดเคารพความแตกต่างมันจะไม่ทะเลาะ ก, กันเพราะศาสนามันจะเคารพความแตกต่าง ฉะนั้นสังคมไทยเนี่ยจึงต้องมาลดมายาคติในเรื่องความยากของศาสนาปราัชญาด้วยวิธีการต่างๆอย่างที่มหาจุาลาทำกับพระไตรปิฎกฉบับมหาจุาลาและประสบควมเร็จขายดิบขายดีทุกมากกว่าพระไตรปิฎกทั้งหมดที่พิมพ์ในภาษาไทยเรามี กระบวนการขั้นตอนช่วยให้ปรัช ญ, ญาช่วยให้ศาสนาเข้าใจง่ายแต่อย่าไปง่ายจนเขาเรียก Oversimplification จนไม่สามารถพัฒนาต่อเพราะมันง่ายจนกระทั่งเหมือนกับคุณไม่ใช้คณิตศาสตร์คินนคดคุณก็พัฒนาวิทยาศาสตร์ไม่ได้ไม่ใช้โลจิกก็ต่อไม่ได้เรื่องที่สองที่เกี่ยวกับ บทบาทของเราเนี่ยคือต้องการให้สังคมไทยมีใจกว้างรู้รักสามัคคีเลยนะข้ามกำลักของประเทศเที่ว่ากำดักประเทศไทยนเนี่ยจริงๆกำดักประเทศไทยมันนอกจากเรื่องอื่นแล้วก็คือเรื่องทะเลาะกันมันยังเป็นกำดักอยูเพราะเราเนี่ย การคิดแบบใจกว้างด้วยปรัชญามันน้อยไปแม้เราจะมีผู้ทธปรัชญามีปรัจญาเท่าไหแต่เรามาเน้นยำ้ำ อ, อ, องค์ประกอบด้านปรัชญาน้อยมันจึงเกิดด็อกเมติกเฟเนติกติดคัมภีร์ทะเลาะกันอย่างที่เราเข้าใจกันในโอกาสสนาทะเลาะ ก, กันปเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตการปรัชญาการเมืองในเมืองไทยมันไม่สามารถทำให้คนยอมรับความแตกต่าง ทางความคิดทางการเงินปรัชญาการศึกษาไม่ช่วยทำให้คนเห็นมุมมองที่หลากหลายศาสนาต้องสอนให้คนมองเห็นความแตกต่างหลากหลายมีท o ร e r a น c ์มีขันติธรรมทางศาสนาตัวพระพุทธศาสนาเองเนี่ยถ้าเราสอนในเชิงปรยยัชญามันจะเป็นโลกกระทักน์ที่ใจกว้างคือคำว่าวิพั ช, ชวัฒ เมื่อทำสังเขชนะครั้งที่สามเนี่ยพระเจ้าอาโศก ไ, ได้ทําการสอบไล่พวกที่ไม่ได้เป็น ไ, ไปเถราวาทออกไปเนี่ยซึ่งออกไปเนี่ยคําถามคือพระุทธเจ้าสอนอะไรผู้ที่ตอบว่าพระพุทธเจ้าเป็นวิพัฒชาวาทีอยู่ต่อมาแล้วก็ไปไปไปศรีลังกาจากศรีลังกามาที่สยามเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาแบบเถราวาทในประเทศไทยเนี่ยเป็นวิพัฒชาวา แต่มีใครสักคนเข้าใจสิ่งที่เป็นแก่นของเราบ้างว่าวิพัฒชวาฒคืออะไรและไม่เคยได้ยิน้วยสักไปเห็นไหมบางคนก็ไปเข้าใจว่าวิพัชวาฒเหมือนกับอเนกันตะวะของาศาสนาเฉลนซึ่งไม่ใช่อเนกันตะวะคือวัะว่าด้วยความจริงมองได้หลายแง่อเนกะหลายแง่ เป็นอย่างหนึ่งวิพัฒชว่านให้มองแยกมันไม่ใช่ความจริงด้านเดียวก็เป็นอย่างหนึ่งคือสอนให้มองหลายมุมตรงข้ามกับเอกังสวัสดพวกสุดโตมองความจริงด้านเดียวพุทธศาสนาไม่ใช่เอกังสว่าดว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงจะถูกและทะเลาะ ก, กัน พระพุทธเจ้ายกตัวอย่างตาบอดคําช้างคนที่คำงวงตาบอดที่ยวกังวงก็เข้าใจช้างเป็นอย่างหนึง่งคําหูก็เข้าใจช้างเป็นอย่างหนึง่งขาก็อย่างหกคนเนี่ไม่รู้ว่าช้างจริงๆคืออะไรเมื่อเรายังไม่เข้าถึงความจริงติดอยู่ที่มายากข้างนอกก็อย่ามาทะเลาะกันเพราะมายอยากภาพลวม a s s u um t i n ซึ่งใน phenomenology เขาเรียกว่า Phenomenological Reduction ลดอคติ Assumption ลงซึ่งทุกศาสนามี Assumption ทุกประยา ม, มี Assumption แต่ยอมรับข้อจำกัดของเวิร์นวิวโลกกระทัดของเราว่าบางทีเราอาจจะยังไม่เข้าถึงความจริงก็ได้ตัวอย่างตาบอดทำช้างมีในพุทนามาก่อนในพระสูตรแล้วต่อมาศาสนาเชนก็เอาไปใช้อธิบายเรื่อง อเนกันตวาทค์ใครอ่านภาษาเอ๊ันนี้เทวนาครีออกก็จะเห็นนพวกที่อยู่ข้างนอกเนี่ยมองช้างในหมู่กว้างเนี่ยเป็นอเนกันตวาทีส่วนตาบอแต่ละคนไปเอกันตวาทีเชื่อว่าช้างคือขาของมันเนี่ยเหมือนเสานี่แหละช้างคืออย่างนี้ไอ้คนไป จ, จับหูก็ช้างเหมือนกระด้งก็มาเถียงกันทั้งๆ ท, ท, ที่มันเป็น คนละมุมแต่ถ้าถามว่ามันใช่ช้างไหมมันก็ช้างแต่คนละส่วนคนที่มองภาพกว้างจะไม่ลงมาทะเลาะ ก, กับใครให้ความจริงมันเปิดเผยตัวเองมารยายาแต่ทั้งสองอย่างเนี่ยต่างกันอย่างไรทิ้งให้ท่านไปศึกษาเองเขาไม่มีเวลาคนระับ <c oughs> เขามาทวงและ <c oughs> เดี๋ยวอดเพนเอาเป็นว่าแม้จะยกตัวอย่างเหมือนกันนะช้างเหมือนกันในวนรนนัดีของเชน คำาว่าเชนก็คือนิคทัตตบุตรกับพุทธศาสนาแต่ความหมายอาจจะต่างกันแต่เหมือนกันคือทำให้เกิดใจกว้างยอมรับความแตกต่างท่านพุทธทาสจึงมีปณิธานสาข้อซึ่งน่าสนใจท่านมีความเป็นนักปรัชญาขอให้ทุกคนเข้าถึงใใหัวใจแห่งศาสนาของตนไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไร ทำความเข้าใจระหว่างศาสนาเพื่อแก้ปัญหากระทบกระทั่งกันนำโลกออกมาจากวัตถุนิยมเป็นมิชชั่นเป็นพันธกิจของทุกศาสน า, ศ า, ศ า, ศายูเนสโกโจรงเมื่อเห็นปณิธานนี้ก็ให้ท่านเป็นบุคคลสาคัญของโลกพ้นจากกรอบของการเอกังสวัสดะในส่วนของ เรื่องของขันติธรรมของพูดสนิดหนึ่งอิสลามอิสลามนั้นเราก็อยา่าไปดไปหมดว่าหัวรุนแรงเพราะโลกอิสลามนั้นแบ่งออกเป็นสามกลุ่มกลุ่มที่ลิเบรโรอย่างอินโดนีเซียมาเลเซียกลุ่มที่สายกลางและกลุ่มกลุ่มสายกลางอย่างซาอุดีอาระเบียอียิปต์และก็กลุ่มที่ข้องสุดโต่ง เราไม่พูดถึงที่มีปัญหาทั้งหลายพี่มีฟันดาบิทอลิสมีความรุนและไปถามอธิการบดีที่อียิปต์ตอนนั้นไปพบโป๊กเอ่อเอ่เออติกขาทีกายคอปติกเป็นศาสนาคริสต์อยู่ในอียิปต์สิบเปอร์เซ็นเป็นคริสต์คนอียิปต์สิบเปอร์ซ็นเป็นคริสต์ถามโป๊กอยู่ได้ยังไงทำไมคนมุสลิมซึ่ง อิหมามอกอ่นานภาษานี่ถือเป็นฐานใหญ่เลยฐานใหญ่สุดของโลกมุสลิมแล้วอยู่กับคริสต์สิบเอร์เซได้ยังไงไม่ทะเลาะ ก, กันเหรอไปถามโป๊อกป๊อกบอกไม่ทะเลาะ ก, กัน เ, เราคนอียิปต์ด้วยกันพูดภาษาเดียวกันมีปัญหากับยกโทรศัพท์คุยกันระหว่างโป๊อกอ่าคาบติกป๊อกเนี่ยคือเป็นโป๊อกนะเพราะอะไรเราอยู่มาก่อนอิสลามในดินแดนนี้ดินแดนอียิปเนี่ยคริสต์อยู่มาก่อน <im itation> มีปัญหาก็ยกโทรศัพท์ไปคุยกันกับเออิห ม, ม่มามอิหม่ามอับอานนัสศาสเดนิซันสินไปแล้วมีศาสนิกเป็นพันล้านนี่ไก่เนี้ถามว่าแล้วทําไมให้คนอียิปต์อยู่ที่นี่ไอค้คนคนอีกที่อยู่ที่อียิปต์ได้บอกว่าก็อัานคุรลอ่านอนุญาตทำพิอ่านกุรุลาอนุญาต อนุญาตยังไงท่านก็อ่านสโลกให้ฟังแล้วเราก็มาเช็คดูอุมนจริงแล้วถามต่อแล้วไม่มีปัญหากับท้แทงมีแต่เรายกหูโทรศัพท์คุยกันแอมดกรนี่หมายว่าอนุษศาตร์คุยกับโป๊กคัมติรโป๊กของอียิปต์ไปถามอธิการบดีมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดของโลกอิสลามซึ่งเป็นพันปีคือมหาวิทยาลัยอนอศาสตร ไปเยี่ยมมาที่การบดีว่าทำไมคุณจึงเป็นศูนย์กลางของอิสลามเวลาคอลลิวดจะสร้างหนังภาพยนต์เกี่ยวกับอิสลามต้องให้ที่นี่ยอมรับก่อนเขาเรียกตรวจสอบก่อนอธิการบดีคนนี้ก็บอกว่านะและเวลาเราสอนศาสนาเนี่ยเราใจกว้าง ศาสนาคือคำพี์อันกุรณาเนี่ยมีการตีความหลายเวอร์ชันเหมือนมีคอมเมนเตเตอร์หลายคนประเภทริเบรโรใจกว้ า, ก ง, กก า, กางก็มีประเภทสุดโตรงติดคำพี์ก็มีประเภทโมโนเรสสายการก็มีเวลาที่มาเรียน น, นักศึกษามาเรียนที่เรี่ยงเลือกศาสนาที่มหาวิทยาลัยอันอัส ศ, าศาัเราจะให้เรียนทุกเวอร์ชันที่อธิบายตีความตีความแบบสุดโตรงก็ให้เรียนไม่ปิดกัน้น แบบสายการให้เรียนแบบรีบอร์รอลเซรีก็ให้เรียนแล้วนี่สิต์เขาจะคิดเองนักศึกษาก็จะคิดเองได้เขาจะหาจุดกลาง่าดีอย่าไปปิดกัน้นนี่คือเรียนแบบปรนนัชญานั่ยนี่แต่เรียนศาสนายกตัวอย่างนี่คืออันกรุาสโลกที่ห้าห้าสิบเอ็ดที่ที่ว่าทำไมคนคิดจึงอยู่ในอียิปต์ได้โดยท่าน ท่านี่หม่ามแกนอิหม่ามในตั้งถึงแปลง่ายๆเนี่ยซึ่งตีความคนละอย่างก็ได้แต่ว่าท่านตีความอย่างนี้มันจึงยอมให้คริสอยู่ในโลกอิสลามเขาบอกว่าถ้าพระอัลลอฮ์นะก้อนี้พระอัลลอฮ์ท่านสร้างมนุษย์คือคริส ก, กับอิสลามนี่มีความเชื่อเรื่องพระเจ้าสร้างโลกเหมือนกัน <c oughs> เมื่อพระอัลลอฮ์สร้างโลกขึ้นมา ปราถนาจะให้มนุษย์นับถือาศาสนาเดียวคืออิสลามวันซิงโก e ลลิ i ัสคอมม m m นตี้เนี่ยก็จะสั่งมาแล้วทำอะไรพระเจ้าสร้างสร้างได้ทุกอย่างแม้กระทั่งนสร้างมนุษย์เมื่อเมื่อจะให้สร้างมนุษย์ไปแล้วก็สั่งมาก็ได้ให้นับถืออเลออย่างเดียวไม่ต้องนับถืออย่างอื่นเหมือนเวลาซื้อคอมพิวเตอร์ก็ให้มีโปรแกรมเภาไอเอิร r ฟไอไมมาด้วยเ ไ, ไม่ใช่แต่ให้เครื่องเปล่า สร้างมนุษย์ก็มีโปรแกรมมาเหมือนกับสร้า ง, างคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ก็ต้องมีซอฟต์แวร์มาด้วยแต่พระเจ้าไม่ได้ประสงค์เช่นนั้นเพื่อที่จะให้มนุษย์มีความพยายามเพราะฉะนั้นจะเลือกศือาศาสนาไหนก็ได้ He has given you so นี่มันมี liberation เนี่ย so strive you as in race with one another in all virtual and w o r k เพราะฉะนั้นต้องแข่งกันทำามดีไม่ว่ า, าศาสนาไหนก็ตาม นี่คือการตีความแบบของท่านแบบริบร้อซึ่งอันกุรณาอาจจะตีความคลานละอย่างกับสำนักอื่นก็ได้เรียนทุกอย่างพระพุทธเจ้าตรัสว่านาหังพิกเวรโรเกณานะวิวิธามิตรพิษุทั้งหลายเราจะถากคไม่ขัดแย้งกับชาวโลกแต่ชาวโลกอาจจะขัดแย้งขัดแย้งกับเราบ้างคือคนที่เห็นต่าง ก, ก็มี แต่ถ้าใครพูดเป็นธรรมวารีคือพูดความจริงความจริงจะตรงกันเพราะฉะนั้นพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์จึงไม่ขัดกันจากขานนี้เราไม่ได้บอกว่าเออใช้ไม่ได้เพราะเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาสรจรงบอกว่าอุ ป, ปาทาวาพิคเวตาถาค า, านังอนุ ป, ปาทาวาพิกษุดทั้งหลายท ร, รมริยามมาสุดนะพระพุทธเจ้าจะอุบัติหรือไม่ก็ตามความจริงยังมีอยู่ท ร, รมริยามกฎธรรมชาติมีอยู่ พระเจ้าไม่ใช่เป็นคนสร้างกฎไม่ใช่บัญญัติกฎใครมาคน้นผมก็ประกาศเปิดเผยพระเจ้าคนพ่อประกาศเปิดเผยเพราะฉะนั้นข้อจํากัดทางาศาสนาเป็นเรื่องจิตวิญญาณวิทยาศาสตร์อาจจะเรื่องวัตถุแต่และฝ่ายมีข้อจํากัดแต่เมื่อพูดความจริงตรงกันมันก็ไม่ทะเลาะ ก, กันด้วยประการลักนี้ก็หวังว่าสังคมไทยก็จะใจกว้างนยอมรับซึ่งความแตกต่างกันโดยพวกเราช่วยกันสอนช่วยกันตามจากพระตั พระไตปดกจากศาสนาของตนนั่นแหละมันก็จะเกิดความ เ, าเป็นเอกภาพที่พึงประสงค์และก็ระบบการศึกษาไทยก็เป็นไปเพื่อสัมมาทัศนะความเห็นที่ถูกต้องต่อไปก็ขอฝากท่านทั้งหลายเพียรทนี้ในที่สุดนี้ก็ขออนุโมทนาเจ้าของสถานที่คือมหาวิทย า, าลัยขจุราภพรและวิทยาลัยวิยเขตขอนแก่นทางสมาคมปรัชญาศาสนาแห่งประเทศไทย และทุกฝ่ายที่มาร่วม ง, งานนี้ที่ทำให้เกิดการพัฒนาปัญญาที่พึ่งประสงค์ต่อสังคมไทยต่อไปขอรุ่งโรนธนาขอคุณสมความดีนี้จงเป็นพรให้ทุกท่านประสบความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดกาลแะนานถือ